ทุกทท่านอ่คื น, นี้ก็เป็นคืนของเป็นคืนที่สี่พูดมาแล้วก็หลายครั้งก็ขอร้องว่าให้ทุกทุกท่านที่ฟังไม่เข้าใจต้องเอาไปฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฟังหลายหลายครั้ง ฟังหลายครั้งก็ค่อยเข้าใจเองก็หลวงพ่อก็แปลให้เป็นภาษาไทยทีนี้ฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องเหมือนที่บอกให้ฟังถ้าไม่ปฏิบัติต่อเนื่องธรรมะเกิดไม่ได้ธรรมะจะเกิดสำหรับคนที่มีความขยันเท่านั้น ผู้ที่ไม่ขยันไปนั่งรออยู่ที่คันนาเมื่อหวานข้าวเสร็จแล้วจะให้ข้าวออกรวงในวันพรุ่งนี้มันผิด ธ, ธรรมชาติจากนั้นมันต้องใช้เวลาการปฏิบัติก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่เพียงสองสามวันหกวันเจ็ดวันมันจะได้ แม้แต่ในครั้งพุทธกาลผู้ที่เต็มที่ไปแล้วให้ไป ฟ, ฟังพระพุทธเจ้าจึงจะรู้ทำได้แต่ที่ถ้ายังไม่เต็มที่นันก็ค่อยเป็นค่อยค่อยไปก็ได้ได้เหมือนกันทีนี้ถ้าคนที่มีความทุกเต็มที่เหมือนกับว่าฝี ผีที่กรัดหนองมันเจ็บปวดจะปวดจะปวดหาทางออกไม่ได้พอเรา อ, อกเข็มไปจิ้มที่หวัวผีแล้วก็รีบหนองก็ตะลักออกมาทั้งเลือดทั้งหนองสิ่งศักระบปรกทังหลาย ตะลักออกมาในเวลานั้นเลยที่มือทีนี้พูดที่ไปฟังจากพระโอษของพระพุทธเจ้าในเวลานั้นที่ขึ้นชื่อก็ส่วนมากก็คือนางปตาจารานางปตาจารานี่ทุกคนคงจะได้ยินเรื่องนี้เป็นทุกเต็มที่ไปแล้ว ทุกออกจากบ้านก็เพราะราคจริตดไปได้สามีคนที่เป็นลูกจ้างของตัวเองแล้วก็มาํำสวนเอาไปก็พากันหนีหนีไปอยู่กลางป่ากลางดง อยู่กันก็มีลูกมีเต้าหนึ่งคนก็มีความทุกข์ไปเรื่อยๆเหมือนขีที่เริ่มจะแดงๆขึ้นมาเป็นจุดเล็กๆก็ไม่รู้ว่าจุดอะไรต่อมาก็คลอดลูกก็มีความทุกข์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น บอกสามีว่าจะกลับบ้านแล้วสามีก็ทวงเอาไว้ทวงเอาไว้เดี๋ยวก่อนจะกลับก็ได้ลูกพอเดินได้ก่อนกว่ายุดลูกจะเดินได้ท้องขึ้นมาอีกคนหนึ่งอีกแล้วก็ใกล้จะคลอดอีกแล้วเพิ่มกันไปอีกความทุกข์เพิ่มก้ามี กอเลยตัดสินใจว่าคุณจะกลับหรือไม่กลับแต่ฉันจะกลับเมียกลับแล้วก็อยู่ยังไงก็ต้องกลับกับเมียนะกลับไปกลางป่าภูงก็โยเยไปหมดแล้วเด็กมันจะคลอดไปถึงยามค่ำกลางป่ากลางดงฝนก็ตกหนัก แต่น้ำคงไม่ท่วมเหมือนกับที่ท่วมกรุงเทพแต่ท่วมคงแค่แค่ก้อเท้าอะไรพวกนี้แหละแต่ท้องก็กำลังปวดที่จะคลอดก็ให้สามีไปหาหพวกใบไม้พวกอะไรมาทำที่มุงที่บังเพื่อจะได้นอนคลอดเพราะฝนมันตกไม่หยุดสามีก็ไปหามา ภัหายังไม่ได้กลับมาเลยก็ไปนอนตายที่ก้างหัวปลวกนางก็ทุกข์ทรมานก่อนที่จะคลอดลูกตั้งเจ็บตั้งปวดฝนก็ตกหนักแต่ลูกคนเล็กก็ร้องไห้คนพี่น่ะร้องไห้จนทนไม่ไหวนางก็คลอดออกมากอคลอดออกมาแล้ว เอาแขนขาทั้งสองคล้อมลูกกอาไว้ยันสว่างมันขนาดไหนลองคิดดูยันสว่างเลยลูกคนเล็กก็ร้องไห้ที่คลอดออกมาใหม่คนโตก็ร้องไห้สามีก็ไม่ยอมกลับมันมีแต่ทุกทุกทุกทุกทุก หาความจุขไม่ได้เลยเจ้าขึ้นมาดวงอาทิตย์ก็ขึ้นโล่ขึ้นมาเลยตามไปหาสามีสามีก็นอนสิ้นชีวิตอยู่ใกล้ใลหัวปลวกเพราะมีงูระงูร้ายที่อยู่ในหัวปลวกนั้นพ่นพิษแล้วก็ตายเลยนั่น ทุกทับถมเข้าไปอีกทับถมเข้าไปอีกก็ตั้งหน้าตั้งตาถึงอุ้มลูกคนเล็ลกจูงลูกคนโตพอไปถึงแม่น้ำตามปกติน้ำจะแห้งพอฝนตกหนักตั้งคืนน้ำก็หลั่งลงมาแค่กลางขา แต่กลางขาอ่อนนางจะไปยังไงทีนี้ลูกสองคนก็เลยวางลูกเอาไว้คนหนึง่งแล้วคนหนึ่งก็อุ้มอุ้มไปก่อนอุ้มไปวางไว้ที่ฝั่งโน้นก่อนลูกคนเล็กก็ไว้ที่ฝั่งนี้เดี่ยวมันก็หิวพอดี มันก็เลยมาเห็นลูกคนเล็กว่าก้อนเนื้อทีนี้นางเอาลูกคนโตเน่ไปวางไว้ฝั่งโน้นแล้วก็เดินกลับเดินกลับมาในแม่น้ำนั่นแหละมคงไม่กว้างเท่าไหร่เดินกลับมาถึงกลางแม่น้ำที่เหยี่ยวก็มาชว่วลูกตัวเล็กนั้นไปลูกคนเล็กไป นางก็เลยกวักมือกวักมือไล่ไล่อีเดี่ยวไล่ก็ไม่ฟังอี่เดี่ยวมันก็เสี่ยวไปในลูกคนโตก็ข้าวใจผิดคิดว่าแม่กวักมือให้มาเพราะคอยแม่ข้าใจผิดก็เดยกระโดดลงไปในน้ํา ตีน้ำกำลังไหลเชี่ยวก็เป็นอานวันทุกขกดทับถมก็ไปอีกทับถมก็ไปอีกสามีตายหนึ่งลูกสองคนตายก็กระเซะกระเซิงไปทีน่นี่จะไปบ้านกลับไปบ้านเพราะนางเป็นลูกของเศรษฐีกลับไปบ้านก็ถามชาวบ้าน เศรษทีสังถงคนนะ่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมเขาก็แต่ว่ามชีชีวิตอยู่ยังไงเมื่อคืนมีทั้งฝนทั้งพายุปราสาทก็พังลงมาทับตายหมดทั้งสองคนแค่เผาเสร็จไปเรียบร้อยแล้วปกติคนอินเดียวพอตายเขาก็พาไปเผาเลยเขาไม่เก็บไว้กินเหล้ากิน ัวกินหมูกินควายกันหรอกก็ทำกันอยู่อย่างนั้นนางก็เลยถมก็ไปอีกความทุกข์มันแสนที่จะเจ็บปวดทนไม่ไหวผัวตายลูกหลองคนตายพ่อตายแม่ตายเสียสติเลยทีนี้คมสติไม่อยู่ ก็เดินเดินไปเที่ยวใครให้กินก็กินใครไม่อยากกินก็ไม่กินเป็นคนวิคนจริตยำอะไรไม่ได้แล้วก็คิดถึงลูกคิดถึงสามีคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัเวเราะตามภาษาคนที่ไม่มีสติ ทีนี้มันเวรกรรมมันคงจะหมดต่อมาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันถ้าเราไปอินเดียเราทุกคนจะต้องไปที่วัดเชตวันเนี่ยพอตอนเย็นคนก็จะเดินเรียงแถวกันตามคันนานนะั่นแหละก็ไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้า เห็นคนเดินเรียงแถวกันก็ตัวเองก็ไม่รู้ว่าก็ไปไหนกันก็เดินตามหลังก็ไปเดินตามหลังก็ไปก็ไปถึงวัดเชตวันตอนนั้นผ้าปอนไม่มีนุ่งหรอกเหมือนกับผีครุกขี้ฝุ่นอย่างนั้นอะผมผ้าก็รุงรังหน้าตาเนื้อตัวก็มอมแมมไปหมด ดูไม่ได้ก็ว่าดูไม่ได้แต่คนก็รู้ว่านี่คือคนวิกลจริตเขาก็ไม่ห้ามไม่ปรามหรอกก็ไปถึงไปถึงก็ไปนั่งรวมกลุ่มกันไปความธรรมเขาก็ฟังกันเป็นประจำทุกวันนางปาตาจียราราก็ไปนั่งข้างหน้าพระพุทธองค์พระองค์รู้แล้ว ว่าวันนี้จะต้องโปรดนางปาตาจาราพระองค์พูดเรื่องอะไรก็เรื่องความทุกข์นี่แหละเรื่องยึดมั่นถือมั่นความทุกข์นี่แหละก็คืออริยสัจก้อ็แรกนั่นแหละพระองค์ก็พูดเรื่องความทุกข์พูดเรื่องความยึดมั่นถือมั่น ของรักของชอบใจความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความเจ็บเป็นทุกความตายเป็นทุกความรัดรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่ น, น, นก็เป็นทุกว่าโดยโยอุปทานาขันทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราข้าวยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของตน เป็นทุกหมดมีแต่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกเท่านั้นตั้งอยู่ไม่แต่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากนั้นหามีอะไรไหมเราจะไปหาสุขที่ไหนความสุขมันไม่มีแต่นั้นถ้าเรามาปฏิบัติทำให้เราต้องการความสุขมันไม่มีความสุขความทุกข์มันดับไปหมด ก็จะเหลือแต่ความสงบความสงบที่เย็นอกเย็นใจความสงบเย็นเบามันเบาเพราะไม่ยึดมั่นถือมันอะไรนี่นางปตาจารานะถ้านางฟังรู้เรื่องขึ้นมารู้เรื่องขึ้นมาไปเน่เพราะว่านางไม่มีผ้านุ่งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็พยายาม ชี่แนะเรื่องความทุกข์นี่แหละนางก็รู้ขึ้นมาทันทีเลยทีนี้เกิดจากขงอุตปาธิมีดวงตาเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมจากขงอุตปาธิยานางอุตปาธินั่นแหละหลวงพ่อพูดจาแล้วําอีกคนพูดไม่เบื่อคนฟังเบื่อแต่ก็ต้องยังพูดอยู่อย่างนี้นางก็เกิดจากขงอุตปาธิ เกิดเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเอิญละจักรยติถิวิจิกิจฉาสีลปตาปรามาทิตยก็เลยขอบวชกับพระพุทธเจ้าคือบวชกับนางเป็นนางภิกษุณีพระพุทธเจ้าก็อนุญาตทีนี้ตอนนั้นนางก็ไม่มีผ้านุ่งพระพุทธเจ้าก็เอาผ้าก็เรียกว่า ผ้าอาบน้ำฝนม้วนๆเนี๋ยโยนไปให้นางก็ได้เอาผ้าผืนนั้นแหละนุ่งกลมต่อไปถึง น, นุ่งกลมต่อพอเสร็จแล้วขอบวชพระพุทธเจ้าก็ให้บวชแต่ต้องบวชสงสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายของพระภิกษุสงฆ์และฝ่ววายของนางภิกษุณีนางก็เลยต้องไปอยู่ หวานางภิกษุณีอยู่ทางฝั่งตะวันตกก็อยู่คนละที่กับพระทีนี้ก็ปฏิบัติเพราะได้ทางเดินแล้วเกิดจักขุงุตาปาทิเกิดเป็นพระโสดาบันขึ้นมาแล้วอยากข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นพระโสดาบัน เกิดอะไรก็เกิดแต่ว่าอยากเข้าไปยึดมั่นถือมันเป็นความไม่ยึดมั่นถือมันค่อยๆเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นวันหนึ่งเกิดที่นางภิกษุณีอยู่ก็ดีทางฝั่งที่พระอริยสงฆ์อยู่ก็ดีมันเป็นสายอ่อนๆเขาก็คงทํากระต้อบกระต๊อบกระต้อบให้นางภิกษุณี นางก็เดินจงกรมถิงนเดินจงกรมเสร็จ แ, แล้วที่กระตอบทางขึ้นกระท้อบมันคงจะมีชานมีอะไรอยู่ต้องขึ้นที่ชานก่อนแล้วก็ขึ้นที่ที่พักที่เรือนพักไม่ได้พักไหลอง์หรอกเดียเด่ยวเดี่ยวทางนั้น ที่นางก็พอเดินจงกรมเสร็จก็ภาวนาอยู่ภาวนาอยู่ภาวน า, า, นาจนไปล้างเท้าเดี๋ยวพอไอ้ทรายเขเรียกว่าทรายขี้เป็ดมันก็ติดเท้านาก็ล้างเท้าพอนาดเป่านา้ำราดลงที่เท้าน้ำมันก็ไหลไหลไปเป็นสายหลายสายนะ ไม่ใช่สายเดียวสายหนึ่งก็สัน้นสายหนึ่งก็ยาวสายหนึ่งก็ขนาดกลางหลายสายไม่เท่ากันสักอย่า ง, งานางก็ปรุงขึ้นมาเห็นปฏิจจสมุปบาทจากกุงอุตตรปาร์ิมันเกิดทันทีจากกุอุตตปารธิที่แรงกว่าที่เกิดจากการฟังธรรม การฟังธรรมนั่นฝีแตกฝีแตกเรียกว่าฟังธรรมฝีแตกพระพุทธเจ้าไปเคียนนิดเดียวคนที่มีความทุกข์มากมากเหมือนกับพวกฝีที่กรัดหนองน้าเลือดน้ําหนองเต็มเลยอยู่ข้างในมันหนาตางออกไม่ได้มันเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดพระพุทธเจ้าก็ออก เข็มไปทิ่มเอาเข็มไปทิ่มที่หัวฝีนน้ำเลือดน้ำหนองทะลักออกมาเลยไม่หมดทีนี้มันไม่หมดเพียงแต่ว่าทะลักออกมายังไม่หมดบวชเป็นนางภิกษุณีแล้วมันก็ยังปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งเรื่องสามีปรุงแต่งเรื่องลูกปรุงแต่งเรื่องพอ่อเรื่องแม่ ที่เสียชีวิตปรุงแต่งเรื่องรับสมบัติก็ยังปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งนะั่นคือจิตที่เป็นตัวกูที่ประกอบด้วยความงโง่เรียกว่าอาวิชชาเป็นสังขารวิญญาณามรูปายตนะปรุงแต่ ง, ป ง, ตงไปจบลงที่ความทุกข์ทุกครั้งไปจบที่ความทุกข์ ที่นีนากาออ็อนิจจังอนัตตารุญญาตาว่างจากตัวตนคือจิตตัวนี้ไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูกนั่นแหละเห็นควายดับที่นี่นางก็เห็นว่าเออนี่มันไปถึงที่ตรงนั้นเมื่อน้ําไหลไปถึงตรงนั้นดับถ้าปรุงแต่งยาวๆหน่อยมากๆหน่อยก็ไหลไปไกล แต่ก็ว่าดับร้ลไปขนาดกลางๆก็ดับร้ไปนิดเดียวก็ดับที่นางราดน้ำลงที่เท้านั่นแหละไปเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็ไปดับดับดับดับดับดับดับนางเห็นความเกิดเห็นความดับที่จิตเพราะว่าไปเห็นสายน้ำที่นางรดลงไป ที่เท้าเพื่อที่จะล้างเท้านี่ก็เรียกว่าหมดนางรีบจนหนองหมดเป็นพระอรหันต์ทันทีนี่ไม่ใช่ต้องนั่งนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้เดินก็ได้ทำอะไรอยู่ก็ได้ได้ทางนั้นเลยแต่ว่าดูตรงไหนดูภายใน ดูภยัยยาภายในดูจ exactly right, right, right, right, right. ิตงั้นเนี่ยดูจิตดูจิตที่มันปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งดูจิตที่มันปรุงแต่งพอรู้ทันมันก็ดับรู้ทันมันก็ดับรู้ทันมันก็ดับดูจิตที่ปรุงแต่งปรุงแต่งจนกระทั่งว่ารีดออกไปรีดออกไปรีดออกไปหนองหมดแห้งทีนี้หัวขวีก็หลุดออกไป แห้งหายปกติเป็นเนื้อตามปกตินี่ความทุกข์ที่มันกลัดหนองกลัดหนองอยู่ข้างใ น, นก็คือผู้ปาทานเราก็าไปยึดมั่นถือมั่นสังขารคือการปรุงแต่ง น, นี่เราไม่เอารูปก็ไม่เอาเวทนาก็ไม่เอาเป็นธรรมชาติ สัญญาสังขารวิญญาณเป็นธรรมชาติหมดไม่เอาอะไรมาเป็นตัวปูของกูทางนั้นเป็นธรรมชาติที่ว่างว่างจากตัวตนว่างจากความยึดมั่นถรือมั่นนางก็เลยจากคนบ้าเป็นพระอารหันเล ย, ยเห็นหมจากคนบ้าแท้ๆเลยเป็นพระอารหัน เราอย่าไปเกลียดเราอย่าไปกลัวความทุกข์ความทุกข์ที่มันเกิดหนักๆ น, นั่นแหละดีดีนั่นคือทางทางแล้วแต่ต้องดูที่ตัวทุกข์ถ้า ไ, ไม่ดูที่ตัวทุกข์หาทางออกไม่ได้ไปผูกคอตายมั่งไปกินยาเบื่อมั่งไปยิงตัวตายมั่งอะไรมั่งพวกที่ ไม่มีทางออกเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเสร็จแล้วไม่มีพลังเลยพลังกิตไม่มีพลังปัญญาไม่มีหมดพลังหมดพลังก็เลยขอตายอยู่ขอตายตายด้วยความสมัครใจไม่อยากอยู่แล้วเพราะมันทุกข์มากเหลือเกินนี่ความทุกข์ถ้าเรารู้จักเปลี่ยนทิ้งง่ายหมด ก็เบาเออไม่เข้าไปยึดมั่นหรือมั่นมันก็เบาฉะนั้นพระพุทธเจา้าพระองค์งทรงแสะแดงทมที่ไหนอย่างน้อยก็จะมีคนที่เป็นพระโสดาบันพอเป็นพระโสดาบันก็เดินตุกติดตุกติดไปเองได้แล้วเป็นพระโสดาบันให้ตุกติดตุกติดไปเองได้แล้วแล้วก็ๆก็ๆเดินตรงข้าวอะไรข้าว รู้จักเดินเองต่อไปก็รู้จักเดินเองนี่เราทุกคนเรามีศรัทธาก็เพราะเรามีความทุกขนะ์ความทุกข์เหตุมันอยู่ที่ตรงไหนเราก็ต้องหาหเจออยากไปยึดมั่นถึงมัน่นความทุกข์มันเกิดให้เรารู้ความทุกข์เกิดได้เราศึกษาความทุกข์เกิดให้เรามีสกิปัญญา เพื่อที่จะวิจัยความทุกข์ทางออกก็คือต้องเอาประพุทธประธรรมประสงค์ทางออกก็คืออริยมรรคเท่านั้นต้องเดินทางอริยมรรคเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะออกได้ต้องเดินตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระอารหันต์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นอริยมรรคไม่องแปลกของพ่อพูดไปมเมื่อเช้ามืดนั้นก็เหลือ เรื่องเรื่องสัมมาสตินั้นมีกายเห็นกายมีสติเห็นกายในกายพูดแล้วมีสติเห็นเวทนาในเวทนาพูดแล้วมีสติเห็นจิตในจิตก็พูดได้นิดเดียวมันก็ดูแล้วเวลามันส อ, องตัวโมงครึ่งก็เลยต้องขอหยุด พอโยมก็จะเนหน็ดเหนื่อยเกินไปทีนี้การมีสติเห็นจิตในจิตมีสติเห็นจิตในจิตเหมือนนางประตาจารานั่นแหละเอ็นนางนำเอาน้าถถํามาลดเท้ามาล้างเท้าแล้วก็ไหลออกไปเป็นสายท่านมั่งยาวมั่งไม่สม่ําเสมอกันนั่นคือการปรุงแต่ง เรียกว่าสังขารสังขารการปรุงแต่งสังขารในอดีตก็ดีสังขารในปัจจุบันก็ดีสังขารที่ยังไม่ถึงมาก็ดีคือสังขารในอนาคตก็ดียังไม่ตายแต่ว่ามันทุกข์แล้วมันทุกข์เรื่องตายแล้วยังไม่แก่มันก็คิดเรื่องแก่แล้วไม่มีใครดูแลไม่มีใครรักษายังไม่เจ็บมันก็ทุกข์แล้ว นี่มันก็ทุกลวงหน้าไว้ก่อนทั้งนั้นเลยปรุงนี่เดี๋ยกว่ามันปรุงมันปรุงปรุงแต่งมันปรุงแต่งสังขารมันปรุงอยู่นั้นมันนั่งปรุงอยู่นั้นเหมือนกับว่ามันสร้างบ้านอย่างนั้นก็สร้างไปแล้วก็ลือใหม่แล้วก็สร้างใหม่อีกลือใหม่อีกสร้างใหม่อีกอยู่อย่างนั้นสร้างแล้วลือสร้างแล้วลือสร้างแล้วลือสังขาร อันตัวสังขางรพอคิดเรื่องนี้จบยังไม่จบคิดใหม่อีกแล้วเรื่องใหม่ขึ้นอีกแล้วพอเรื่องใหม่จบไปขึ้นเรื่องใหม่อีกอันสังขารสังขารเราเรียกว่าสังขารคือการปรุงแตง่งมีการปรุงแต่งภายนอกก็สังขารปรุงแต่งเหมือนกันภายนอกเหมือนเราสร้างบ้านสร้างช่องแล้วก็ต้องปรุงแต่งมาจากภายในก่อน แล้วก็ออกมาสร้างออกมาทําภายนอกมันก็อาศัยสังขารแต่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็อาศัยสังขารสังขาร น, นั้นแล้วมาทําทีนี้ไอ้สังขารภายในสังขารภายในก็คิดแล้วมันต่ ย, ยึดคิดแล้วมันต่ ย, ยึดคิดแล้วมันต่ยึดมันมีแต่ยึดมั่นถือมัน่นไม่มีอะไรนอกจากนี้มันไม่มีอะไร ยึดถือยึดมั่นถือมั่นกายยึดมั่นถือมั่นเวทนายึดมั่นถือมั่นจิตยึดมั่นถือมั่นธรรมชาติทั้งหมดยึดมั่นถือมั่นหมดทีนี้มีสติเห็นกายในกายก็บอกแล้วว่าดึงปัญญามาพิจารณาแล้วก็คลายความยึดมั่นถือมั่นเราเห็นตามความเป็นจริง ดึงสติมาพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเบื่อหน่ายในเวทนาคลายกำหนัดในเวทนาที่เป็นจุกเป็นทุกข์ไม่เอาเวทนานั้นมาเป็นตัวกูไม่เอาเวทนามาเป็นของกูนี่นี่คือต้องอย่างนี้สติปัฏฐานสี่ไม่ใช่ทำสติปัฏฐานสี่ปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ แต่เอาสติปัฏฐานสี่นั้นมาเป็นสมถะมันไม่ได้สติปัฏฐานสี่อยู่ในรูปของวิปัสนาแล้วอยู่ในรูปของปัญญาแล้วปัญญาก็ที่กากับก็คือสัมมาสติสัมมาคือตัวปัญญามีสติ ดึงปัญญามาพิจรารณาพิจรารณากายเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดพิจารณาเวทนาเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่ยึดมั่นถือมัน่นปล่อยวางพิจารณาจิตติ ด, ดึงปัญญามาพิจารณาจิตจิตงโง่น่ะไม่เอามันพิจารณาไม่ได้ เพราะจิตโง่ข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าจิตตัวนี้เป็นตัวกูของกูแต่แล้วจิตตัวนี้เป็นวัวเตือนควายเตือนมันก็เลยเราข้าไปยึดตัมวมาเป็นตัวกูของกูให้เราก็เลยเป็นคนเถือนพอเป็นคนเถือนก็ทําเถือนเถือนพูดเถือนเถือนพิษตึิษอะไรก็เถือนเถือน ไม่ได้ฝึกไม่ได้ปลืไม่ได้อะไรกิริยามารยาทก็ไม่ได้ฝึกการพูดจากนไม่ได้ฝึกการคิดนึกที่ถูกต้องก็ไม่ได้ฝึกก็เลยเป็นคนที่มีกายเตือนมีเวทนาเถือนมีจิตเถือนทีนี้นเราก็พิจารณาเราปฏิบัติให้เกิดความฉลาดขึ้นมา เกิดความฉลาดขึ้นมาก็คือเกิดปัญญาขึ้นมามาพิจารณาพิจารณากายนี้เปลือกเปลือกนอกเปลือกนอกมันกายนะ่ะพิจารณาเวทนาเวทนานั้นอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจประตูมันประตูประตูทางเข้าทางออก แเราก็เข้าไปยึดถือในเวทนาเวทนาทางตานั่นก็ประตูเวทนาทางหูก็ประตูเวทนาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ประตูแต่แล้วเข้าไปชอบเข้าไปเกลียดนี่นายประตูไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้ว่าชอบคืออะไรไม่รู้เกลียดคืออะไร ไม่รู้ว่าไม่ชอบไม่เกลียดมันคืออะไรนายประตูไม่รู้จักเพราะขาดสติปัญญานี่เมื่อเราฝึกจิตให้มีสติปัญญามีคนเข้าทางประตูไหนทางประตูตาเอา้จาจักแต่ว่าธาตุอานิจจังอนัตตาสุญญาต า, า, ตาว่างจากตัวตนธาตุว่างไปเฉย ธาตุจำนานี่ยเห็นธาตุว่างทั้งนั้นก็นั่งกันอยู่ที่ตรงนี้ก็แค่ว่าธาตุว่างธาตุว่างไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายมีแตาา่สุญญตาธาตุสุญญตาธาตุธาตุที่ว่างจากตัวตนทั้งนั้นนั่นคือเห็นด้วยปัญญาอันนี้พอเห็นคนเห็นสัตว์เห็นนั่นเห็นนี้แทนที่จะเข้าไปชอบแทนที่จะเข้าไปเกลียด ชอบก็ไม่เอาเกลียด ก, ก็ไม่เอานี่นั่นคือการสะสมก อ, อ, อ, องพลังกองพลังจิตก อ, องพลังปัญญาสะสมให้บางคนหมดพลังหมดง่ายง่ายอย่างนั้นหมดพลังง่ายง่ายโดยไม่รู้สึกลัวว่าตัวเองใายพลังในเรื่องรักเรื่องเกลียด มากหมดพลังก็หมดพลังเนึ่ยอยู่ยังไงก็ไม่รู้อะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดมีแต่อารมณ์อย่างนีมีแต่อารมณ์อย่างเดียวที่เเรียกว่าคนอารมณ์เสียนะั่นอารมณ์เสียแต่คนนั้นอารมณ์เสียทั้งวันเนี่ยมันเป็นยังไงก็เป็นบ้านะก็เป็นบ้าคืออารมณ์เสีย ทนี้อารมณ์เสียนะ่ยเพราะมันขาดพลังไม่มีพลังไม่มีพลังก็คือเสียเสียพลังเราต้องปฏิบัติให้มันมีทั้งพลังจิตให้มีทั้งพลังปัญญาสองพลังนี้แหละมันก็จะช่วยกันช่วยกันแต่ไม่เป็นพลังเดียวกันทีนี้มีสติเห็นจิตในจิต ว่าจิตนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่าไปเอามาเป็นตัวตนเอาจิตมาเป็นตัวตนได้เรื่องทุกทีก็คือมันเป็นทุกนั่นแหละมันเป็นทุกนั่นแหละดังนั้นจิตนี่ก็จะต้องปล่อยวางจิตเองก็เกิดดับมองเข้าไปข้างในดิก ว, ว่าจะรู้จิตนะ่ะกว่าจะรู้จิตจะรู้เวลานั่งนะเราก็นั่งสมาธิ นั่งสมาธิเสร็จแล้วจิตเนี่ยเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิยกจิตนั้นขึ้นทูปัญญา จิตขึ้นสู่ปัญญาจิตนั้นนหะดูจิตจิตนั้นแหะดูจิตเพราะยกจิตขึ้นสู่ปัญญาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นสุญญตานั่นคือจิตปัญญาจิตปัญญาดูจิตโง่ดูจิตโง่นี่เมื่อดูจิตโง่ก็อ้อการที่เราข้าไปยึดมั่นถือมั่นจิตพอเป็นตัวกูนี่ จิตมันไม่มีตัวไม่มีตนเลยก็ไปยึดถือมันทำหม่ยั่นไม่ใช่ตัวกูมันไม่ใช่ของกูไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูทางนั้นสลัดจิตที่เป็นตัวกูนะ่ะทิ้งไปอะไรเหลือทีนี้ก็เหลือสติปัญญานั่นแหละจิตโง่มันหายไปเหลือแต่สติปัญญาเนี่ยก็ภาวนาว่าจิตไม่ใช่กูจิตไม่ใช่กูจิตไม่ใช่กู พราภาวนาอยู่อย่างนั้นมันจะเกิดเวลาไหนก็ได้ถ้าทำแบบนิกายเซนพระรูปเล่งกวาดขยะจิตไม่ใช่กูจิตไม่ใช่กูจิตไม่ใช่กูไม่ใช่ ก, ไชกูไม่ใช่กูไม่ใช่กูภาวนาแต่ว่าจิตไม่ใช่กูพอจิตไม่ใช่กูขึ้นมาเป็นยังไงในตอนนั้น เขาก็กําลังที่จะศึกษาปฏิจจสมุปบาทอยู่ปฏิจจสมุปบาทเราเริ่มต้นจากอาวิชชาอาวิชชาคือเอาจิตโง่มาเป็นครูทีนี้ไอ้จิตน่ยมันไม่ใช่กูมันไม่เป็นของใครนี่จิตเน่ยมันไม่เป็นของใครแล้วมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนด้วยนันก็ภาวนาว เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็คือมันข้าไปยึดถือแล้วก็เป็นทุก์เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเขาดูช้อนควายเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับมีอะไรที้เกิดกับดับเกิดมันคือเกิดทุก์ดับมันคือดับทุก เ<แ>ป <asthma> <coordinates S 1> ็นอย่างไงทีนี้เขาก็ขวาดก็อยากมื้นเราเรากวาดทางเดินอย่างนั้นขวาดซ้ายขวาดขวากวาดซ้ายขวาดขวาไม่ใจคูเมื่อสึ่งนี้มีจึงนี้จึงมีเมื่อสึ่งนี้เกิดขึ้นจิงนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสึ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับจึงนี้จึงดับท่องอย่างนั้นแต่ว่าพร้อมด้วยกัน ดูภายในที่จิต ด, ด้วยก็กวาดไปกวาดมาไปโดนลูกหินเท่าปลายก้อนทีนี้ไอ้ข้างทางมันก็มีกอไผ่อยู่เหมือนกับที่หลวงพ่อปลูกไม้ไผ่ให้ตรงนั้นลูกหินมันก็ไปโดนต้นไผ่เสียงดังป๊กพอดังป๊กบรรลุธรรมทันทีเลยของนั้น พระรูปนั้นบรรลุกรรมทันทีเลยเพราะมีไม้กวาดเพราะมีคนกวาดเพราะมีลูกหินเพราะมีกอไผ่พอลูกหินไปกระทบกับต้นไผ่มันก็มีเสียงดังทีนี้ถ้ามันไม่มีเหี้ยไอ้คนกวาดนี่ก็ว่าง เราเอาอะไรก่ออะไรมาทําเป็นไม้กวาดไม้กวาดนี้ก็อนิจจังอนัตตาโุญญตาว่างจากตัวตนคนกวาดก็อนิจจังอนัตตาว่างจากตัวตนไอ้สิ่งที่เรากวาดก็อนิจจังอนัตตาโุญญตาว่างจากตัวตนไอ้ลูกหินก้อนนั้นก็อนิจจังอนัตตาว่างจากตัวตนแต่เสร็จแล้วมันเกิดเสียงขึ้นมา เสียงนั้นเป็นยังไงไอหูมันก็อนิจจังอนัตตาว่างจากตัวตนเสียงนั้นก็อนิจจังอนัตตาว่างจากตัวตนพรวดขึ้นมาเลยจิตเห็นอ่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับนี่เพราะความยึดมั่นถือมั่นมันดับมันดับพอความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าจิตกูมันดับ ก็เลยดับตามตามตามตาม ต, ามตามกันไปนี่บอกให้ฟังเรื่องปฏิจจสมุ ป, ปบาทที่หลวงพ่อปฏิบัติมาหลวงพก็อ่านแล้วเอาอมาปฏิบัติอ่านแล้วปฏิบัติอ่านแล้วปฏิบัติปีนั้นเนี่ยกับครูประเจอแต่วันนี้ไม่มาเราจะไปเที่ยวกันเมื่อก่อนพอสิ้นปีอย่างเนี้ยไปสักสิบวันไปที่ไหนก็ช่างมัน ค่ำไหนนอนนั้นค่ำไหนนอนนั้นไปนอนวัดที่ไม่หรูหรานอนวัดที่จนๆเงี้ยก็อ้าเงินก็บ้างทำบุญก็บ้างอะไรก็บ้างแล้วก็หาประสบการณ์ไปเรื่อยๆพอจากนี้เข้ากรุงเทพเลี้ยวไปทางาสุพรรณบุรีเพราะตั้งใจว่าจะไป พูดที่วัดอาจารย์แป้งวัดไทร ง, งามทีนี้พอจะเลี้ยวรถออกไปถนนที่ไปสุพรรณบุรีนั่นแหละรถมันกมดหลายคันไอ้คันข้างหน้าคันข้างหน้าสองคันไอ้คันที่สองก็ไปจนท้ายของคันที่หนึ่ง ของหลวงพ่อนี่มันกันที่สามก็ไปชนกันที่สองกันที่สี่ก็มาชนกันที่สามเนี่ยในขณะนั้นหลวงพ่อก็นั่งข้างหน้านั่งคู่ไปกันกับครูประเสศนั่นแหละนั่งคู่กันไปอุยกันไปอะไรกันไปทีนี้ก็ไอมือขวาก็เอื้อมไปข้างหลังไปยิบมากเพราะเราหลวงพ่อนี่ อาจจะอมหมากนั่นไปอมรถจะไายที่ไหนก็ไม่รู้ลืมแล้วอมหมากนั้นใส่ในรถไปด้วยสีห้าคำรู้ไม่ฉันหรอกหมากก็แค่อมแค่นั้นเองแค่อมแค่อมทีนี้พอรถคันนถนชนคันนี้ก็ชนของหลวงพ่อก็ไปชนพอไปชนเกิดอะไรขึ้นทีนี้ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จริงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จริงบั่นอ้าวแทงที่จะตกใจเรื่องลดชนถ้เกิดปฏิจจสมุปบาทนนรรท์รู้ที่นี่คือผ้าแข่งการปฏิบัติเราไม่ต้องตั้งใจแต่เราเก็บเอาไว้ในใจ เก็บโอว้เก็บเอว้ยเก็บเอไว้ศึกษาเอาไว้ปฏิบัติเอาไว้อะไรเอวายพอถึงเวลามันก็เกิดเองเยโดยดิบเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อมันมีคนกับเมื่อมันมีรถมันก็ชนดิมนชนมันก็ชนกันอย่างนั้นก็ชนเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มี ถ้าไม่มีคนถ้าไม่มีรถถ้าไม่อะไรแล้วมันจะชนกันทาไ ม, มก็ชนชนก็คือชนชนก็คือชนก็ทำไปตามเรื่องตามราวเรได้ประกันไว้อะไรไว้ก็ไปทำที่โรงพักเตะก้อนปฐมแต่เต่แล้วนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดเห็นปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาตอนที่รถชน มันก็เหมือนกับที่พระองค์นั้นพระเซนท่านกวาดกระยาไปโดนลูกหินแล้วโป๊กกระไปที่ําไม้ไผ่เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับมันก็เท่านั้นเองเท่านั้นเองต่อไปเราเกลียงกันเนี่ยทีนี้อ๋อนี่มันเกิดอย่างนี้มันดับอย่างนี้ ถ้าเกิดยึดมั่นถือมั่นในการที่รถมันชนเราก็เป็นทุกข์เองไหนต้องข่าสอบข่านั่นข่านี้ให้เราจะไปได้อย่างไรรุ่งนี้เราจะไปได้จะไปต่อได้อย่างไรมันคิดมากนะมันคิดมากแต่เส็จแล้วก็ไม่เป็นปัญหาไม่ได้คิดเรื่องนั้นเป็นอะไรก็เป็นกันก็ช่างมัน เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันกระบวนกาก็เลยเอารถของลูกชายเอารถรถเก่งของลูกชายไปต่อถึงเราก็ไปต่อนั่นก็ไม่ได้เสียวเวลาอะไรเราก็ไปต่อนี่เห็นไหมมันก็เกิดอย่างนี้แหละธรรมะจะเกิดที่ไหนก็ได้เกิดเวลารถชนกันก็อย่างได้เลยเห็นไหม า ก, การเห็นปฏิจจสมุปบาทการเห็นอะไรเห็นเวลาลดน้ำเอาน้ำลดเท้าของตัวเองเพื่อที่จะล้างเท้าก็ได้เห็นอะไรก็ได้ได้ทั้งนั้นเลยได้ทั้งนั้นเลยแต่เราต้องปฏิบัติอยู่ภายในปฏิบัติเอาไว้ภายในให้มันอยู่ภายในมันอยู่ภายในให้มันประกบอยู่ที่จิตภายใน วมันปรากฏอยู่ที่กิตภายในมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วทีนี้มันก็จะแสดงออกทีนึงพอมีอะไรเกิดขึ้นมันแสดงออกเพื่อจะได้เป็นพยานหลักฐานมันแสดงออกเป็นพยานหลักฐานเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้ดีใจมันก็ไม่ได้เสียใจอะไรมันก็เฉยเฉยเฉยเฉย ในทางที่ไม่ดีมันกลับเป็นดีไปอีกเห็นไหมนี่ยเกิดเหมันกลับเป็นดีไปอีกทีกนี้นางปัตจ า, าราก็เหมือนกันในทางที่ทุกขเยียนตายมันก็ไม่ตายพรไม่ตายมันกลับเกิดเป็นได้เป็นพระโสดาบันก็ได้พระอารหันไปอีกนความทุกข์อย่าไปกลัวมันแล้ว ก, กลับความทุกข์ แล้วก็ทํำยังไงมันหมดไปนี่ต้องปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติให้ได้สุขสุขมันไม่มีสุขนะมันไม่มีจุกกเวทนาก็คือทุกขทุกกเวทนาก็คือทุกทุกกรรมสุกกเวทนาก็คือทุกเราไม่เข้าใจในทุกกเวทนาเก็บถือในจุกกเวทนาโดนหลอก โดนจุกเวทนาหลกกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอน้ําย่อยออกมาทางลิ้นรู้สึกอร่อยข้าไปยึดมั่นถึงมั่นโดนหลกธรรมชาติถ้ามันไม่สร้างน้ําย่อยมันก็ไม่อยากกินอาหารคนก็ไม่อยากกินอาหารทีนี้สัตว์สัตว์ที่มันกินอาหาร มันก็เพื่อบำรุงร่างกายของมันเหมือนกันแต่มันไม่ต้องกินให้อร่อยหรอกแมวที่กินหนูมันไม่ต้องเอามาต้มเอามาปิ้งเอามาย่างเอามาแกงมันก็กินได้กินเพื่อการตั้งอยู่ได้แห่งร่างกายนี้จะระคายจับฉัไดได้จับได้เสร็จแล้วมัเอาไปเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาเหวี่ยงขวาเหวี่ยงซ้าย ให้มันนิ่มหรือให้มันหลุดเป็นต้อนทอดแล้มันก็กลืนก็ไปมันไม่ต้องเคี้ยวหรอกก็กลืน้าไปดอกลืนเข้าไปถ้าความตั้งอยู่ได้เนี่งกายนี้หมีหมีที่มันกินปลาแซมอนมันไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องออกมาทอดไม่ต้องออกมาปิ้งไม่ต้องออกมาย่างจับได้กบ กินเลยกัดกินเลยทั้งเนื้อทั้งเลือดทั้งอะไรมันก็กินกินเพื่อความตั้งอยู่ได้แง่งชีวิตของมันนี่มันอยู่อย่างนั้นเรามันปรุงแต่งกันมากมนุษย์เนี่ยมันต้องมีเกลือต้องมีน้ำปลาต้องมีน้ำมันอย่างดีเป็นน้ำมันมะกอกเอามาทอดอะไรต้องอะไรก็ไม่รู้ต้องมีเครื่องเวบ มีเอามาเว็บเสร็จแล้วกว่าจะได้กินกว่าจะได้ฉันให้มันร้อนก่อนอะไรก่อนมันมากเรื่องมันมากเหลือเกินมากจริงจริงเดี๋ยวนี้มันจุกจิกจุกจิกจุกจิกเรื่องจินนิดเดียวมันก็จุกจิกจุกจิกจุกจิกมันเลยได้ช้าได้พระนิพานช้าจุกจิกมากทีนี้เรื่องแต่งตัวเหมือนกันเนี่ย ยึดมันถือมั่นวีมันหน่อยน่ะก็พอแล้วต้องวีแล้วหวิอีกวิแล้ววิอีกไม่พอไปก็ทำผมทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ต้องฉีดต้องอรูดเรื่องสารพัดเลยไม่ว่าเรื่องผมไม่ว่าเรื่องตาไม่ว่าเรื่องฟันไม่ว่าเรื่องปากไม่ว่าเรื่องผิวหนังสารพัด นั่นมันจะบรรลุธรรมได้ยังไงมันยุ่งกับเรื่องอย่างนั้นให้เราลดให้มันน้อยลงเสื้อผ้าก็เอาแค่สะอาดอ็รีดซะหน่อยสบายแล้วกอแล้วไม่ต้องสวยไม่ต้องงามไม่ต้องเลยโฉมเอาพอดีพอดีพอสบายสบายอย่ามันเป็นภาระมาก มันเป็นภาระทางนั้นเลยภาระหเวปันจักขันทานั่นแหละขันต่างห้าเป็นของหนักเน้อร่างกายหรือรูปนี่มันหนักอยู่แล้วไนเสื้อผ้ากับมันอีกในอะไรอะไรกับมันอีกแอบสบายสบายสบายมันแสนที่จะระบายเยอะมันเป็นยังไงเมื่อก่อนนี่เจสบูสันไลออกมาซักมาซักแล้วก่อน รีดก็เตารีดก็ยังไม่มีมสมัยสงครามโรคครั้งที่สองอกจานมาจานสังกะสีใส่ฐานคอยเข้าไปก็รอในก็รีในสมัยนั้นเริ่มที่จะมีเตารีดแล้วและต่อมาก็มีเตารีดมีเตารีดมีต่อมาก็พัฒนาพัฒนาพัฒนาพัฒนาจน เืินควรไปอย่างต่างประเทศรีดกันแต่อยู่ในเฟร็ดในหมู่บ้านที่เลี่ยมวันเสาร์อาทิตย์ไปซักผ้ากันมีห้องซักผ้าห้องซักผ้าต้องจองก่อนไม่จองไม่ได้ห้องซักผ้าซักเสร็จแล้วตากตากกับอะไร อาก็เคยฟ้าเดืรีบอย่างจีวอนี่ก็ต้องรีบรีดเอารีบที่มันหน้าหย่อยๆรีดเมันยุ่งยากเหลือเกินนี่จะยุ่งยากเอาดูคนในประเทศอินเดียซักผ้าไปแม่น้ำคงคาถึงแม่น้ำาำคงคาก็ซักครับครับครับแ้ก็มีไม้อันนึงทุบทุบทุทุ ทุบจไม่รู้ฟังยุ่ยไปหมดแหละพอทุกแต่็จแล้วตากตรงไหนอ่ะชักแล้วตากป่าหญ้าที่แถวนั้นแหละตากที่ป่าหญ้านั้นแหละไม่มีราวผ้าตาปาา่าหญ้าพื้นนั่นแหละตากตามพื้นประเทศอินเดียกองหน้ดีคนที่มีหน้าที่ในการชักผ้าชักผ้าจ้าอะไรอย่างเนี้ทํามีอย่างนั้นทําอย่างนั้น เดี๋ยวนี้มันสะดวกก่อนต้องนวดต้องถูต้องขยี้ต้องอะไรเยี่ยมนี้แสนที่จะสบายแสนที่จะสบายอก่อนได้สบู่ทั้ไรมาอ้อนเด่นตรงไหนจกกระปกกรงก็ขยี้มากมากมามากมากมากน่กกอยเยี๋ยวนี้เป็นยังไงตอนที่หลวงพ่อบวชก็ ย, ยังไม่มีเครื่องครับ้า พเสร็แล้วมนมีเครื่องคักผ้าวที่เครื่องคักผ้าวปาดใจก็ไปจีวนใสจก็ไปชะบงใสจก็ไปน้ำยาใสก็ไปโกลงโกลงโกลงโกลงโกลงบิดเองอะไรเองโอ้ยอะไรมันสบายอย่างนี้อะไรมันสบายอย่างนี้ก็ไม่รู้แต่ทําไมหลวงพ่อช่วยตัวเองไม่ได้มันสบายจะตายไปเลยเอย่างนี้อยู่คนเดียวก็ได้มันสบายหมด อะไรมันสบายหมดเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนไม่สบายเราก็อยู่ได้แต่พอสบายขึ้นมาเรายิ่งอยู่ได้ใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีผู้ช่วยมันต้องมีอะไรสบายแค่นั้นเราต่อไปเป็นคนเฒ่าคนแก่ไม่ต้องไปงอแงหรอกต้องมีคนช้าต้องมีคนสักผ้าต้องมีคนล้างจาน หลวงพ่อไม่เคยฉันข้าวกับจานนี่นอกจากก็ไปกรุงเทพหรือไปฉันที่บ้านก็นฉันกับขวาบาดประจําเลยฉันกับขว้าบาดตักข้าวใส่ขว้าวบาดมีมีดเล่มหนึ่งได้แกงส้มมาก็ดูถ้าแกงส้มมีแกงไตปลาเดือดตัดตัดถุงแกงรวดลงไปนั่นใส่ลงไปในข้าวเลย เสร็จแล้วก็ฉันมีอะไรแกล้มมั่งถ้าได้ปลาเค็มก็พอแล้วแกนะมีปลาเค็มมีผักพอแล้วพอแล้วพอวสบายแล้วสบายนี่อยู่สบายสบายสบายมากแต่นี่พอเอาอาหารอาหารในพวกนั้นในของฝรัง่งไอ้ควาดพูดอะไรก็บพวกนั้นมันมีแต่พูดควาดฉันไม่ได้ ฉันไม่เป็นแต่อย่างนั้นมันไม่โชว์ไม่ชอบฉันฉันเดี๋ยของบ้านบ้านบ้านบ้านฉันที่ของบ้านบ้านานะฉันไม่ชอบฉันตัว อ, อาหารคอรังเป็นคอรังกับขอไม่ได้ถ้าอยู่เมืองคอรังสองสามเดือนเอ้ามันเบือเ่อเบือ่อเบื่อเบื่ออาหารเนี่ยมันเบือบ่อเบื่อมีมันกอรังพอฉันได้สักวันก็พอใช้ได้ ทุกวันทุกวันก็รู้ไม่ไหวอีกฉันจะ่ข้าวตม้มฉันแต่อาหารที่มันจืดจืดชืดชืดเวลาจะฉันเกงตัวปลาคนสั่งมาประเทศไอยนี่ฉันกว่าเขาจะส่งให้ทางเครื่องบินก็ได้ฉันก็ได้ฉันหน่อยฉะนั้นหลวงพ่ออยู่ไม่ได้เมืองนอกบอกตัวเองว่าอยู่ไม่ได้กว่ารังก็จีบหลวงพ่ออยากจะให้อยู่เมืองนอก ไอ้วีเดนก็อยากจะอยู่เดนมาร์กจะสร้างวัดให้ที่เดนมาร์กแล้วก็บอกว่าให้เลือกเอาถ้าไม่เอาเดนมาร์กก็เอานอเนเธอร์แลนด์นนเรื่องอะไรอยู่วังเงียงดีกว่ากรับมาวังเงียงเลยได้ฉันเกงไตยปลาได้ฉันเกงส้ไมไปอดอยากอยู่ทําไวันหนาวก็หนาวเงบคนกอ็อะไรก็ไม่รู้ อะไรก็ไม่บอกไม่ถูกมีแต่ผู้หญิงก็พวกอย่างนั้นอย่างนั้นทางนั้นเราไม่ได้ทํากันไม่ได้คนสนใจธรรมะมีบ้างถ้าคนสองคนแต่เสรแล้วมีแต่อย่างนั้นอย่างนั้นแต่อย่างนั้นอย่างนั้นต้องผู้ได้ยาวตั้งก็รู้กันอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยในธรรมะกินอย่างทีนี้มันกลับไม่ได้ ไปอยู่แล้วมันกลับไม่ได้เพราะออกไปมีขึ้นมาแล้วมีลูกมีลูกลูกเรียนหนังสือลูกเรียนหนังสือก็าเรากินเงินเดือนรัฐบาลก็ต้องจำใจอยู่จำใจอยู่เดีย๋ยวนี้อยู่ก็เปลี่ยนกันอยู่เรื่อยนะ่คนหนึ่งไม่รู้แต่กี่คนผู้ชายลูกก็หัวดำหัวแดงมีครบมีครบทุกสี ผมมีครบทุกสีของลูกคนระับเพราะมันคนละพ่อคนละพ่อคนละพ่อกันทางนั้นนี่นั่นเนี่คือกวรงมันมันอย่างนั้นคือมันอย่างนั้นจริงประเพณีของเรามันไม่ใช่อย่างนั้นเราทไไําไม่ได้แล้วไปอยู่ทําไมไปสอนใครไปสอนกรังหรือที่ไหนได้อย่าเืย อนที่ว่าไปสอนกว่างหลังไปสอนกว่าหรหังไปอเมริกาไปจุโรปไม่ไปสอนคนไทยกันอยู่ไปสอนรําไทยไปสอนหนังสือให้คนไทยไม่ได้สอนกว่า ร, รังหรอกกว่ารังไม่ใช่มันจะเอาง่ายๆมันไม่เดินง่ายง่ยหรอกเนี่ยวังเมียงเนี่ยดีแล้วกรุงเทพก็ไม่เอา คนระดับหลวงพ่อต้องอยู่ในป่าอยู่ในเขาถ้าไปอยู่กรุงเทพไม่ต้องพักก่อนกันเพราะโยมก็อาพระย า, ยาคนน้นไปทีคนนี้ไปทีคนนั้นไปทีไม่ไม่ต้องอยู่กรุงเทพพักไม่ได้พักไม่ได้แน่นอนเลยเพราะคนก็ต้องการมากทีนี้เราก็สงสารเขา เังนั้นอยู่ที่นี้แหละดีแล้วใครจะมาก็มาใครจะควังก็ควังใครควังไม่ถูกก็กลับไปแล้วไม่ต้องมาอีกเสียค่ารถค่าราเห็นไหมแม่ชีสามเรือหนึ่งเห็นไหมก็ขวังไม่ถูกกระีควังถูกยังไงไม่มีพื้นฐานไม่รู้ไม่รู้่ากขอโกโกาเป็นยังไงควังไม่ถูก นั่งหัวหมุนอยู่ฟัามทกยังไงนี่ก็เรียกว่าไม่มีพื้นฐานดังนั้นมันไม่ง่ายพื้นฐานนี่พื้นฐานเราจะต้องรู้เอาไว้ทีนี้พอก็พูดสูงพูดเรื่องอะไรไม่รู้อ้าวไปจอนไกลทีนี้นั่นนะพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์จ ะ, จะรู้ใหม่ใหม่ จะเอายังไงดีนจะสอนใครดีเนี่ยว่ามีปรามคนหนึ่งผ่านมาแอดูท่าทางของท่านหน้าตาแจม่มใสใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านพอพระองค์จัดว่าเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะจะรู้เองโดยชอบปรามคนนั้นก็สะบัดหน้าท่มน้ำลาย เสร็จ แ, แล้วก็หลีกไปพระพุทธองค์ก็เลยต้องคิดมากไปเนี้เราจะไปสอนใครจะไปสอนใครจะไปสอนอุตกาดาบทอา้าวได้ยินข่าวเสียชีวิตแล้วเ็ดวันจะไปสอนอารารดาบทที่พระองค์ไปปฏิบัติเกิดรูปฌานอะรูปฌานะนะั่นแหละ เอาอาราดาบทเสียชีวิตไปแล้วเช่นเดียวกันรู้สึกว่าจะสิบห้าวันเอพระองค์คือพระองค์เห็นว่าไปต่อยอดไปต่อยอดให้สองท่านนั้นท่านหนึ่งก็รู้รูปประชานมิตกวิจารปีตตสุกเอกะกะตาเพียนแต่ว่ายกขึ้นภูวิปัฒนา ไปลิบเลียวเลยทีนี้เอาเสียชีวิตไปอีกท่านหนึ่งอราราณาบดได้อารูปฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญาญตนะเนวัญญาณาสัญญาญตนะว่าไปถึงก็ยกขึ้นถุวิปัฏนานและก็จะเห็นอริยสัจเอาเสียชีวิตอีก จะไปไหนเนี่ยก็เลยนั้นเลยต้องคิดว่าเออเมื่อก่อนเราอยู่กับนักบวชปัญจวัคคีย์ไปหาปัญจวัคคีย์ดีกว่าเรารู้ข่าวว่าปัญจวัคคีย์ก็อยู่แถวราชจะคลึกอย่างนี้พระองค์ก็ไปไม่ตอนรับอีกไปก็ไม่ตอนรับอีกเพราะอะไรเมื่อก่อนพระองค์ก็อด อาหารจนผมพวกนี้ก็ด้อมรอมมองมองรอมรอมมองมองเมื่อไรจะจะัด จ, จะรู้สักทีหนึ่งถึงที่สุดแล้วพระอ ง, องค์ก็ว่าถึงที่สุดแล้วอาหารเท่าปลายนิ้วก้อยมือหนึ่งยแล้วมันจะทรงกายอยู่ได้อย่างไงเราไม่มีอาหารไปไหนไม่ไหวแล้ว ใกล้ๆตัวมีหญ้าแห้งมีขี้วัวมีอะไรก็ดึงๆมาฉันหมดดึงมาฉันหมดจนผมนั่นน่ยบางตัวระมาณตนนั่นแหละผมก็จับที่ท้อแต่ลุกข้างหลังเลยผมเอาโปรแกรมดูที่ศีรษะเหมือนกับลูกน้ำเต้าเลยกรอกแล็กกรอกเล็กกรอกเล็ก ถึงกระดูกเลยนี่ดูเนื้อหนังพุ้มกระดูกเอาเอามือไปลูบขนลุวงนี่ขนาดหน่อย เ, ยเพระองค์ก็ดูดูตัวเองในน้ำดูกระจกดูกระจกคือเอาน้ำเป็นกระจกโอ้โหลู ก, ก, ต, าลล ก, กตาโบ๋เลยหอมลูกตาโบ๋ แล้วซี่โครงกิกี่ซี่กี่ซี่ก็ปุดออกมาหมดงั้นไม่ใช่แล้วพระองค์ก็ว่าไม่ใช่ทางแล้วไม่ใช่ทางแลยดังนั้นใครที่บำเพ็ญอดอาหารก็อดไปหลวงพ่อไม่เอาหรอกไม่เอาไม่อดกับเขาหรอกฉันดีกว่า เ, เรื่องอะไรจะไปอดพระพุทธเจ้าทํามาแล้วพระองค์ยังไม่สามารถที่จะให้บรรลุได้ ใน ต, ตอนนั้นอดจนถึงที่สุดแล้วแค่เราจะไปซ้ำรอยอย่างนั้นทําไมพระองค์ตรัสว่าอันตกักกิรามะธานโยก็ไม่ใช่ตามาจุปานิโยก็ไม่ใช่ ม, ม, ใชมันต้องมัชจิมาปฏิปทาสายกลางสายกลางสายกลางแต่ทีนี้เรานี่กลางไหมเกินกลางไปอีกสบายเกินเรียกว่าสบายเกิน ดังนั้นเราจะทำยังไงดีแล้วก็ต้องปรับที่ปรับอะไรให้มันพอดีพอดีอาหารพอดีอะไรพอดีไม่เจ้ายศเจ้าอย่างอะไรเกินไปกินอยู่แต่พอดีพอดีเนี่ยพอดีพอดีกินอยู่ให้พอดีอย่าให้เกินพอเกินก็เป็นโรคเบาหวานมั่งโรคนั้นโรคนี้หลายโรคหลายราวเป็นโรคกับเพราะ กระเพาะไม่ค่อยเป็นกหรอกเพราะมันเต็มกระเพาะอยู่เรื่อยไม่ค่อยเป็นคนที่เป็นโรคกระเพาะน่ะมันหิวน้ำย่อยมันออกพอน้ำย่อยออกกระเพาะมันไปบีบมันไปบีบมันคิดว่าอาหารพอไปบีบแล้วโดนน้ำย่อยนั้นเนี่ยมันกัดมันกัดกระเพาะกระเพาะเลยเป็นแผลก็เลยไม่ค่อยเป็นกันหรอก โรคกร เ, เพราะนะเป็นโรคอ้วนมากกว่าโรคอ้ว น, นันทีนี้เราต้องให้มันพอดีให้มันพอดีพอดีทั้งสองอย่างนั่นแหละให้พอดีทั้งสองอย่างในเรื่องอาหารพอดีการเป็นอยู่พอดีอะไรพอดีแต่เราจะได้ทำสมาธิจะได้ทำวิปัสสนา ไอ้พอทำสมาธิวิปัสนาอีกหากันอยู่นั้นน่ะหากันอยู่ไว้อาจารย์โน้นก็สมาธิอาจารย์นี้ก็สมาธินี่จะสมาธิสมาธิสมาธิหรือสมถะสมถะแปลว่าทำจิตให้สงบทีนี้ทำจิตให้สงบมันต้องรู้ว่าสงบขั้นไหนสงบระดับไหน ถ้าจิตสงบตามธรรมดาสมาธิถ้าสงบที่เกินไปเกินไปสัมมาสมาธิก็จุดท้ายจนเกินไปเกิดเป็นฌานเลยไปแล้วเลยไปแล้วเลยสมาธิไปแล้วนั้นเอาไปเป็นฌานแล้วนี่เราจะทํำยังไงเอาแค่วิตกตรึกวิตกเปรัวตรึก วิจารณ์แปลว่าตรองตรึกตรองก็คือพิจารณานนัพิจารณาทีนี้พอจิตเป็นสมาธิเราก็รู้ว่านี่ภาวนาตอนนี้จิตเป็นสมาธิแล้วยกจิตที่เป็นสมาธินั่นแหละขึ้นสูวิปัชนาก็คือยกขึ้นสูปัญญายกขึ้นชูตัวปัญญา จิตที่เป็นสมาธิยกจิตที่เป็นสมาธิยกจิตตัวนั้นขึ้นสู่ปัญญาไปยกจิตขึ้นสู่ปัญญาก็พิจารณาพิจารณาอะไรที่ตรงไหนเต็มไปหมดทั้งตัวนี่จะเอาที่ตรงไหนเกสาโลมานากาเต็มไปทั้งตัวยกมันมาพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังยังไงเป็นทุกขังเมื่อเราเข้าไปยึดมัน่นถึงมั่นมันเป็นยังไง เป็นนัก ต, ต, ตาไม่ใช่ตัวตนเป็นยังไงนี่เราเห็นเป็นนิจจังเที่ยงเราเห็นเป็นทุก ข, ขังพออกพอใจเราเห็นเป็นอัตตาตัวกูตัวกูตัวกูไม่เอารามตัวนั้นไม่เอายกเิดขึ้นจูวิปัสนาแล้วก็พิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ในอาการสามสิบสองนั้นแหละเห็นอย่างเดียวเห็นหมดเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเห็นอย่างเดียวอีกสามสิบเอ็ดเหมือนกันหมดเป็นนิจจังเป็นนันตาเป็นสุญญตาเหมือนกันหมดเกิดปิติทีนี้ก็เกิดปิติเกิดปิติวิตุกวิจารคือตรึกตรองก็ตรึกตรองจน คำตอบออกมารู้อย่างนี้รู้พอรู้แล้วเป็นอย่างไงน้ำตาไหลน้ำตาไหลปรุงแต่งได้ทีนี้ปรุงแต่งปรุงแต่แว่าเราอยากที่ใจแม่ของเรารู้อย่างนี้ด้วยเหมือนที่เรารู้อย่างนี้แหละคนที่คิดกคนอื่นแม่คือแม่ วิตกวิจารเส้นผมอย่างเนี้ยเกิดรู้ขึ้นมาเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นสุญญตาเห็นที่เกิดที่อาใจของมันอะไรของมันพอเห็นจริงขึ้นมาคือเห็นภายในนะเห็นภายในมันก็เกิดปิติขึ้นมาอิ่มอกอิ่มใจบอกไม่ถูกโออยากจะให้แม่รู้ทำยังไงอยากจะให้แม่รู้อย่างนี้ด้วยอยากจะให้แม่รู้อย่างนี้ด้วย ร้องห้ใหญ่โตเลยทีนี้ร้องไห้เลยร้องไห้ใหญ่โตน้ำมูกน้ำตาไหลเช็ดกันไม่ทันเนี่ทีนี้พอไปอย่างนั้นมันไปเลยทีนี้ไม่หยุดแล้วปีตีเกิดนั่นเรียกว่าปีตีถ้าปีตีมันเกิดอย่างนั้นมากมายกายกองมากมายมห ah าศาลมันก็อยู่กับปีตีทีนี้จิตนั่น มันไม่เดียวกขึ้นสูงวิปัสนาเนี่ยมันอยู่กับปีติใช่อยู่กับปิติปิตินั้นมันอิ่มอกอิ่มใจไม่ใช่อิ่มเหมือนกินข้าวกินน้ํามันอิ่มอยู่ในอกในใจมันอิ่มอยู่อย่างนั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยโอ้ยค่อยๆเดินค่อยๆเดี๋ยวสติมันจะหลุดหรือปิติมันจะหลุด ทำอะไรหยากอยาบก็ไม่ได้ไม่ทำอะไรหยากอยาบไปยกของหนักก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อยู่กับปิปีติปีตินี่เขาว่ามีปิติเป็นพักษาโดยปีตินั่นแหละมันเป็นอาหารทีนี้พอจะกินข้าวกินน้ําอย่างนี้กินข้าวกินน้ําน้ําชากาแควหรือว่าอะต้องกินของนิ่ม ถ้าต้มอย่างนี้กินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปมันจบจบเนี้ที่เนี้ยมันจบจบเน้ยหมดเรื่องเลยเพราะจิตไม่ได้อยู่กับอันนี้แล้วมันอยู่กับปีติมันกัวปีตินั้นมันจะร่วงไปอยู่กับปีติปีติปีติปีติอย่างนั้นนั่งพอนั่งแต่แล้วก็นั่งกับปีตินอนกับปีติเดินกับปีติยืนกับปีติอะไรกับปีติหมดอย่างนี้เรียกว่าปีติในองค์ฌาน ถ้าทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าองศาอยากปิติหลายหลายวันข้าวเบื่อทีนี้อาการเบื่อมันก็จะเกิดขึ้นเบื่อปิตินั่นแหละพอแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วปิติบอกตัวเองว่าไม่เอาแล้วพอไม่เอาแล้วมันทำยังไงนี่จะปรุงผังไม่ได้อะไรไม่ได้พอเลิกปิติ มันก็เพ่งต่อทีนี้เพ่งต่อฌานอะไรว่าเพง่งไรว่าเพง่งมันเพ่งต่อทีนี้เพ่งต่อเออจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกดูที่ดูที่ดูที่จ้องดูมันจ้องดูเจ้างมันจะเกิดอะไรอีกมันจะเกิดอะไรอีกดูดูดูดูดูดอ้าวทีนี้เกิดขึ้นมาตัวหนึ่งอีกความสุข โอ้ความสุขมันเย็นอกเย็นใจเย็นอกเย็นใจเย็นจกเย็นใจอะไรอย่างนั้นก็ไม่รู้เอาเงินล้านมาโก้ก็ไม่เอาเอาความสุขนี่ดีกว่านี่เรียกว่าสุขในฌานในรูปฌานสุขในฌานเขามีความสุขอยู่อย่างนั้นอีกเลยดื่มดั่งอยู่กับความสุขความสุขความสุขความสุขจิต ก็ะดูอย่างนั้นแหละคาปิตีไม่ขอแล้วเลิกแล้วพอแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วเอื้อมแล้วเอื้อมแล้วอยู่กับความฉุขต่อไปอยู่ความฉุกความฉุกความฉุกความฉุกวิตกตรึกวิจารณตรองตรตรองก็คือเราพิจรนารณาอะไรพอตรตรองเสร็จแล้วเกิดปิตี ไปตีสามวันสามคืนเจ็ดว so ันเจ็ดคืนอยู่กับปิติพ่อยิบกับปิติเบื่ออยู่กับความสุขความสุขความสุขความสุขเบื่อความสุขอีกหลายวันจนเป็นอาทิตย์เบื่อความสุขอีกพอเบื่อความสุขก็อยู่กับเอกกตาเรียกว่าจิตเป็นหนึ่งเดียว อุเบกขาเอกกตาจิเป็นอันหนึ่งเดียวคืออุเบกขาเฉยเฉยเ็นอะไรก็เฉยแต่ยินอะไรก็เฉยเฉยเเป็นเจ้าเฉยไปเลยเฉยเฉยไม่ชื่อเฉยไม่เอาะไรไม่ยินดีอะไรไม่ยินร้ายอะไรเฉยอยู่อย่างนั้นก็ใช้เวลาหลายวัน ที่หลวพอทำเรื่องนี้มาทำเรื่องนี้มาต้องเห็นว่าหลายวันต้องข้าไปหาท่านอาจารย์พุทธท่านกราบเรียนท่านถามท่านว่าเรื่องนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงท่านก็บอกบอกบอกบอกบอกแล้วเราก็คาดใจเพราะว่ามันอยู่แล้วนี่ไม่คาดใจยังไงมันอยู่แล้ว เพราะนั้นสามวันเ็ดวันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาหลวงพ่อก็ต้องไปหาท่านบ่อยๆถ้าไปหาท่านบ่อยๆไปปรึกษากับท่านบ่อยๆคนอื่นไม่มีทางที่จะปรึกษาได้ทีนี้พออย่างนี้แล้วก็เรียกว่าจบรูปปัจจานจบรูปปัจจานพราะจบรูปปัจจามันก็ขึ้นอารูปปัจจานอะไรอีก อากาชานันจายตนะที่พูดแรงครั้งก่อนนั้นอากาชานันจายตนะอายตนะกําหนดอากาศวิญญาณันจายตนะายตนะกําหนดตัวรูปคือวิญญาณอากินจัญญาจตนะกําหนดที่ว่างว่างว่างๆจอบอยู่ที่ว่างๆที่มันโล่งๆ ก็บอยู่ที่ว่างที่รูนเอีนท่านอาจารย์ท่านเขาบอกว่าอันนั้นมันว่างเหมือนกันอากินจัญญายตนะนั่นแหละมันว่างเหมือนกันแต่ท่านบอกว่าว่างเสมเปิลว่างเสมเปิลว่างตัวอย่างนั่นว่างตัวอย่างแต่ไม่ใช่ว่างสุญญตานั่นว่างตัวอย่างให้ดูก่อนให้เห็นก่อนทีนี้คือว่างตัวอย่างที่ไหน อารูปฌานนี่เราก็จะต้องพัฒนาดิพัฒนาว่างตัวนี้แหละในอารูปฌานนี่แหละให้มันว่างทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตาว่างหูว่างจมูกว่างลิ้นว่างกายว่างใจว่างว่างไปเรื่อยทีนี้จอไปนั่นคือเท่ากับว่าเมล็ดพืชว่างเมล็ดพืชเราก็เอามาเพาะพันุ อพันเจ็จมันก็เป็นยอดเป็นใบเป็นอะไรขึ้นมาจนมีดอกมีผลขึ้นมานั่นแล้วก็ว่างถึงที่สุดก็คือสุนญตาวิหารได้อยู่กับความว่างอยู่กับความว่างทีนี้พอไปต่อไปอีกมันว่างว่างว่างว่างว่างวางจนเอาไม่เอาแล้ว ไม่เอาแล้วดูหนังเรื่องไหว ม, มั่งมาต่ออยู่ในวัญญานาสัญญาญาตนะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่กองอย่างเดียวนั่นแหละมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เหรียญสองด้านานั่นถ้ากันเหรียญสองด้านนี่ทั้งหมดนี้เรียวกว่า รูปปชานกับอรูปปชานถ้าใครทำเกิดได้ก็ดีแต่ถ้ามันไม่เกิดเอาแค่วิโตวิจารตีพอเอาแค่นั้นพอแต่ก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนานี่มีสติเห็นจิตว่าจิตนี้ไม่ใจ่จักบุคคลตัวตนเราเขายกจิตนั้นขึ้นสู่วิปัสสนาเพื่อที่จะศึกษาเพื่อที่จะ ใช้ปัญญาแล้วทีนี้เพื่อที่จะใช้ปัญญาทีนี้ผู้ที่ปฏิบัติได้ชาญน่ะได้ชานถ้าปฏิบัติได้ชาญมันก็ดีมันก็ดีมันสุดแล้วแต่บุญบา ร, รมีของผู้นั้นถ้าคนนั้นมีบุญบา ร, รมีมากเหมือนกับว่าเราจะสร้างบ้านแต่ว่าฐานหนาแน่น ฐานหนาแน่นก็คือฌานนี่แหละองฌานที่เป็นรูปฌปานกับอารูปฌานมันหนาแน่นลงฐานไว้ลึกมากหนาแน่นมากดังนั้นจะสร้างกี่ชั้นก็ได้ไม่เป็นปนัญหาไม่ล้มไม่ทลายแน่ น, นี่คือหลักมันหนักแน่นหลักมันหนักแน่นอย่างนี้นนี้พอขึ้น อนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นสุญญตาแล้วก็ยกขึ้นสุวิปถนาจนขึ้นถึงอริยสัจสี่ทนี้พอพิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาให้เราดูอริยสัจสพอดูอริยสัจสี่จากข้อแปดก็กลับไปข้อหนึ่งเห็นไหม มันจะกลับขึ้นไปที่ข้อเน่งอิมันรวมแล้วมันจะรวมกลุ่มแล้วพอไปที่ข้อเน่งมันก็พิจารณาพิจารณาพิจารณามันก็ศึกษาศึกษาเรื่องของอริยสัจศึกษาเรื่องอริยสัจก็ถ้าใครอยากจะรู้อริยสัจโดยละเอียดเข้าไปศึกษา หนังสือท่านอาจารย์พุท ธ, ธาทาท่านแปลมาจากภาษาบาลีแต่พระไตรวิฎกอริยสัจเล่มหนึ่งอริยสัจเล่มสองมีแค่สองเล่มสองเล่มแค่นั้นเองเหลือกินเหลือใช้เราต้องแจ ก, กแจ ก, กให้คนอื่นแล้วรู้อริยสัจถ้าเราอยากจะรู้ลึกรู้ตรงนั้น รู้อริยสัจเล่มหนึ่งเล่มสองและก็เล่มที่จำเป็นที่สุดอยู่ที่จิตเรานั่นแหละนี่เล่มที่สาคัญที่สุดอยู่ในจิตของทุกๆคนอยู่ในจิตของพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตของพระอารหันต์ทั้งหลายและก็ออกมาภายนอกเป็นพระไตรปิฎกแล้วแทนก็ แปลจากไบบิลมาเป็นภาษาไทยบนบาลีบ้างอะไรบ้างแต่เราปฏิบัติแล้วก็จะเข้าใจเรื่องของอริยสัจทีนี้เรื่องอริยสัจมันไม่มีเรื่องอื่นในพระพุทธศาสนาของเรามันไม่มีเรื่องอื่นมีเรื่องเดียวคือเรื่องอริยสัจเท่านั้นเรื่องอริยสัจเท่านั้น เรื่องอริยสัจก็คือเรื่องเกิดทุกข์กับเรื่องดับทุกข์เรื่องอริยสัจก็คือเรื่องปฏิจจ ata โมกบาทเรื่องเดียวกันหมดอนี้เรื่องปฏิจจ ata บาทหรือเรื่องปฏิจจเรื่องอริยสัจเนี่ยในปฏิจจ a มุโบาท อ, าอาวิชาชาสังขารวิญญาณ น, นามรูปไวยะตนาผาัสสะ เวทนาตนาอุปาทานภพชาตจรามรณะโกกาปริเทวะแต่ละตอนแต่ละตอนสิบเอ็ดหรือสิบสองตอนเหมือนกับว่าสร้ยอยคอสร้อยคอไม่ใช่มันยาวพรวดไปอย่างนั้นสร้อยคอก็าทำเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นหว่นหวงแล้วออกมาคล้องกันนั่น อย่างวัดสายแห่งปฏิจจธรรมุกบาทอันนี้ในแต่แต่ละห่วงแต่ละห่วงนะแต่เราห่วงนั้นมันมีอริยสัจอยู่ทางนั้นเลยมีอริยสัจอยู่ทางนั้นในทุกในในทุกหรืออวิชชาสังขารวิญญาณารูปเนี่ยมันมีอริยสัจอยู่ทางนั้นเลย ขันธ์ห้าก็อริยสัจปฏิจจสมุปบาททั้งหมดก็คืออริยสัจอันนี้อริยสัจหรือปฏิจจสมุปบาทขวายเกิดทุกข์กับขวายดับทุกข์มันก็คือเรื่องอริยสัจไม่มีเรื่องอื่นอีนนี้จะยกตัวอย่างให้ดูอริยสัจจะยกตัวอย่างให้ดูเช่นสุดท้า ย, ยสุดท้ายจะรา ความแก่มรณะจรามรณะความตายจรามรณะโศกาความโชก ค, ความร่ำรวยรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแขนใจเป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์ทีนี้เราตั้งต้นที่ทุกข์ใช่ไหมอริยสัจสี่ทุกข์ชมูไทยนิโรธ มักหรืออเรียมักทีนี้เราก็ตั้งทนี้เราก็ตั้งแล้วเราตั้งที่ตัวทุกก่อนจรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมานัตอุปยาตก็คือความแก่ความเก็บความตายความรัดร่าความร่ําไรลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความกับแกนใจจนกระทั่งว่าความยึดมั่นหรือมั่น ในอุปาทานขันนั่นแหละรูปิธานาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั่นแหละเป็นตัวทุกขตั้งทีนี้บทนี้ตั้งเป็นตัวตั้งตั้งหนึ่งทีนี้เสร็จแล้วหาเหตุนี่เป็นทุกใช่ไหมหาเหตุทีนี้เหตุได้เกิดทุกเหตุได้เกิดทุกคืออะไรนี่พ่อบอกได้ต้องจําดูที่เอาเปิดหนังสือดูได้เลย ไอปฏิจจาระมุปาบาทนั่นที่เราตวดนั่นทีนี้ชรามรณะโศกปริเทวทุกโทมนาจักอุปายาเป็นตัวทุกขเหตุได้เกิดทุกดูดูเหตุได้เกิดทุกก็คือชาติปีทุกขานี่นั่นแหละตัวเหตุได้เกิดทุกชาติปี่ทุกขา จาติความเกิดเกิดอะไรเกิดความรู้สึกรู้สึกว่าอย่างไงรู้สึกว่าตัวกูนั่นเนยได้เกิดทุกข์อยู่ที่ความรู้สึกว่าตัวกูออกความรู้สึกว่าตัวกูตัวกูแก่ตัวกูเจ็บตัวกูตายตัวกูพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ว่ากูมีกว่ามีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์หมดเป็นทุกข์หมดทุกเพราะอะไรเพราะยึดมั่นถือมัน่นทุกเพราะยึดมั่นถือมัน่นเหตุใ้เกิดทุกข์สมุทัยที่เราเรียกว่าสมุทัยไม่ใช่อยู่แต่ตัวข้างห น, น้าโน้นอย่างเดียว สามูไทยคือตัวเหตุให้เกิดทุกเกิดเหตุอะไรก็ได้เช่นว่าสงกรา น, นี่ยโอ้ได้ยินข่าวญาติเสียชีวิตลถจจนตายโอ้เป็นทุกข์แล้วเป็นทุกข์แล้วเป็นทุกข์แล้วความเกิดเป็นทุกข์แล้วเกิดอะไรเกิดความรู้สึกว่าพ่อกูแม่กู น้องกูพี่กูอะไรกูเนี่ยคนรักกูนี่เกิดความรู้สึกกันมาทันทีบีบคันแล้วทีนี้ก็เช่นว่าเป็นพ่อหรือเป็นแม่อย่างนี้บีบแล้วความทุกข์มันบีบบีบน้ำตาไหลไม่รู้ตัวเลยเนี่ยความทุกข์เพราะชาติปีทุกขานั่นคือเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ นี่พ <S an> อเหตุให้เกิดทุกเราจะดับมันยังไงเราจะไปดับที่สาริีตุกขามรนามปีทุกขังโศกาปลิเทวทุกตโมวมานะจ่าอุปยศดับไม่ได้ต้องตับที่เหตุดับที่เหตุของมันเหตุก็คือเกิดคิดขึ้นมาตัวคิดนั่นแหละตัวไม่ใช่ตัวคิดไอตัวอะไรก็บอกไม่ถูกนี่รลยกว่าไ อ, ไอตัวที่มันกูนั่นแหละ ที่มันคิดกันว่ากูนั่นแหละที่มันมีความรู้สึกกันมาว่ากูนั่นแหละนั่นแหละคือความเกิดเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่ากูนั่นคือตัวเหตุเหตุไอ้เกิดทุกไองนี่มันเกิดทุกอย่างนั้นทุกอยู่อย่างนั้นทุกทุกทุกจนกว่ามันจะคลายออกเองอพอคิดถึงทีไหนก็ทุกทีนั้นคิดถึงทีไหนก็ทุกทีนั้นไอ้ท่าทุกของตัวเองอ ตัวเองแก่ก็เป็นทุกขตัวเองเจ็บก็เป็นทุกขตัวเองตายก็เป็นทุกขเพราะเกิดความรู้สึกว่าตัวกูขึ้นมานี่มันก็ทุกนั่นแหละมันก็ทุกตัวกูเตอเกิดที่ไหนเกิดเมื่อไรเกิดเวลาอะไรไม่เกี่ยวทุกทังนั้นทุกทังนั้นเลยนี่ทีนี้เหตุใ้เกิดทุกก็คือชาติปีทุกขาความเกิดเป็นทุกข ความเกิดเป็นทุกข์นั่นคือเหตุเหตุได้เกิดทุกข์ก็คือชาติปิดทุกข์ขาชวนยาราปิดทุกข์ามรนามปิดทุกขังโธกาปริเทวทุกขโทมานตะอุปยาชาอันนั้นคือตัวทุกขตัวเหตุก็คือชาติปิดทุกข์ขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ต่อไปมันกลายเป็นตัวทุกขตัวนี้แหละ แต่นี่เป็นตัวเหตุก่อนจำว่ามันเป็นตัวเหตุก่อนเหตุได้เกิดทุก้ เ, เมื่อจารีตี่ทุกขาเป็นเหตุได้เกิดทุกเราจะดับมันยังไงวิ่งหาแล้วทีนี้วิ่งหาตัวดับต้องปฏิบัติตามอริยมรรยองแปดแล้วให้เกิดจักขุงตถาปาติเกิดญาณุตถาปัติปัญญาตปาปติวิจาตปาปติอาโลโกตปาปติสมบูรณ์ แล้วก็มาเป็นตัวนิโรธนิโรธเพราะว่าเราปฏิบัติตามอริยามรมันก็ได้ผลออกมาเป็นนิโรธนิโรธนี้ก็เอามาดับตัวชาติปีทุกขาคือความรู้สึกวก่ากูความรู้สึกว่ากูพอเอานิโรธมาดับมันไม่ใช่กูนี่ ไม่ใช่กูความรู้สึกนี้ไม่ใช่กูความรู้สึกนี้ไม่ใช่กูมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งอย่ากข้าไปยึดมั่นหรือมั่นมันธรรมชาติอย่างหนึ่งเขร็จแล้วตัวกูนั้นดับปอยเพราะนิโรดมีสกิปัญญาเขาเกิดจากกูตาปัตยานังตป า, า, างตปาัตยนี่นเต็มไปด้วยปัญญาก็เลยเอาปัญญานั้ น, นมาแทน มาแทนตัวความทุกขนั้นเนี่ยได้เกิดทุกนั้นเพือชาติปีติทุกขาเพราะชาติปีทุกขาดับไปเอื่อพอดเหตุมันดับเหตุคือเอาชาติปีติทุกขานั้นมาเป็นตัวกูนี่พอตัวกูดับไปชาลาปีตทุกขาความแก่ก็ดับไปความเจ็บก็ดับไปความตายก็ดับไปความพลัดพรากจากของรักของชอบจบก็ดับไป มีความปรารถนาสิ่งใดได้ไม่ได้ก็ดับไปไม่ยึดมัน่นหรือมั่นอะไรทางนั้นทีนี้คือต้องเอาโรธมาดับดับตัวเหตุให้เกิดทุกเกิดชาติปีทุกขาเอาทีนี้ตั้งมอ่อยอีกตั้งมอยเอกว่าตัวทุกนั้นผ่านไปแล้วนะผ่านไปแล้วมันอยู่ข้างล่างสุดนะแง่ผ่านไปแล้วทีนี้ก่อ เอาชาติปีตุกขาเป็นตัวทุกข์แล้วอนี้เอาเป็นตัวตั้งเป็นตัวทุกข์แล้วชาติสรามรณะโศกาปริเทวทุกะโตมณตะอุปยาตชาติมันเป็นเหตุตอนนี้ไม่เป็นเหตุแล้วชาตินี้เป็นผลแล้วเป็นผลแล้วคือตัวความทุกข์แล้วเป็นตัวความทุกข์แล้วอันนี้ ข้าวไปยึดมั่นถือมั่นจ้าว่าตัวกูพอ้ก้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูความรู้สึกเนื่อเป็นกูเพราะความรู้สึกเป็นกูนั่นก็มีความทุกข์ขึ้นมาเหมือนที่ว่านั่นแหละเอามันมีความทุกข์ขึ้นมาเหตุที่เกิดทุกข์มันอยู่ที่ตรงไหนทีเนี้ยมันอยู่ตัวข้างหน้าอีกและตัวข้างหน้าก็คือพบคือพบเรียกว่าพบ พบนี่ก็เปรียบเหมือนกับว่าคนตั้งคันพอตั้งคันแล้วมันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นพอโตขึ้นโตขึ้นได้ที่คลอดออกมาเป็นชาติปีทุกขาคลอดออกมาเลยนั่นคือเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่า มันมีคันเพราะมันตั้งคันขึ้นมาไอ้ที่ตั้งคันขึ้นมาน่ะมันเอามาหมุนเลยที่มันคิดคิดในเรื่องของกามเรียกว่ากามมาพบคิดในเรื่องของรูปก็เรียกว่ารูปมาพบคิดในเรื่องที่ไม่ใช่รูปก็เป็นอรูปมาพบเป็นอรูปมาพบ แต่มันมบบ luence, คิดเรื่องกามอย่างนี้มันก็มีความทุกข์คิดเรื่องกามระหว่างเพศก็ดีคิดเรื่องกามวัตถุก็ดีมันเป็นเกลียวหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนอยู่อย่างนั้นหมุนทีหนึ่งคันแก่ทีหนึ่งกรอดทีหนึ่งหมุนทีหนึ่งกรอดทีหนึ่งหมุนทีหนึ่งกรอดทีหนึ่งพอนี่เหตุให so ้เกิดทุกข์คือพบ พบเราไม่รู้จักพบนั่นคือมันตั้งคันอยู่เรื่อยพอคิดเรื่องนี้ข้าไปยึดมั่นถือมั่นตั้งคันพอตั้งคันแล้ก็คลอดออกมาทีหนึ่งคลอดออกมาทีหนึ่งก็เป็นชาติผิดทุกขาเป็นทุกคลอดออกมาทีหนึ่งชาติหนึ่งทีหนึ่งชาติหนึ่งทีหนึ่งชาติหนึ่งไม่ใช่ว่าไปเกิดชาติหน้าชาติโน้นชาติโน้นชาติโน้นไม่ใช่ ไม่ใช่ไอ้ที่เกิดชาตินั้นชาตินี้ชาติโ น, น้นนี้เราจะตัดชาติจรามรมาลาณะเราจะตัดชาติที่ตรงนี้แหละถ้าเราตัดชาติที่ตรงนี้ได้ความเกิดที่เป็นทุกข์มันจะไม่มีแล้วไปเกิดใหม่มันก็ไม่มีเพราะวิญญาณธาตุตัวนั้นมันถึงที่สุดมันมีสติมันมีปัญญาแล้วมันไม่ต้องเกิดใหม่อีกแล้ว ปัญญามันถึงที่สุดแล้วแล้วก็มันก็ดับแล้วมันก็ดับทีนี้ถ้าปัญญามันไม่ถึงที่สุดมันก็ไม่ดับแค่มันก็ไปเกิดใหม่อีกเลยถ้ามันไม่ดับมันก็ไปเกิดใหม่อีกแล่วิญญาณตัวนั้นทีนี้เราดับรูปเวทนาสัญญาสังขานดับแต่ถ้าตัววิญญาณไม่ดับสังขานตัวมันก็ไม่ดับ ต้องดับที่ตัววิญญาณพอดับตัววิญญาณเตีวความยึดมัน่นถือมันว่าตัวกูนะพอดับตัววิญญาณรูปก็ดับเวทนาก็ดับสัญญาก็ดับสังขารก็ดับเพราะตัววิญญาณมันดับเพราะไม่ใช่กูวิญญาณไม่ใช่กูทีนี้ชาติปีทุขขาเป็นตัวทุกภพบเป็นเหตุให้เกิดทุกกรมภพ วุ่นอยู่ในเรื่องของกามรูปประพบยุ่งอยู่ในเรื่องของรูปในเรื่องของรูปในเรื่องของรูปของชื่อเสียงของอะไรอย่างเนี้ยของสวยๆงามๆเพ็ดนินจินดาเรื่องตองเรื่องเครื่องแต่งตัวเรื่องอะไรอย่างนันรูปทางนั้นเนี่ยเรื่องรูปทางนั้นกามปพบรูปประพบ อรูปภพอรูปภพพอเต็มก็เปรียบเหมือนอะไรดีอรูปภพอรูปภพก็เปรียบเหมือนยศอย่างเนี้ยมันไม่มีตัวไม่มีตนเล ย, เ ป, ยเป็นนายร้อยเป็นนายพันเป็นนายหมื่นหรือว่าจะเป็นผู้ว่าเป็นรองผู้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีนั่นอรูปภพ แล้วมันก็เป็นทุกีเพราะมันคิดคิดคิดคิดอ้ากูนี่ไม่ใช่ธรรมดานะรัฐมนตรีแล้วกูเดี๋ยวนี้รัฐมนตรีแล้วกูเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ธรรมดานะโสโสแล้วนะนเห็นไหมนัน่นอะไรว่าอารูปภพกูนี่สโสแล้วกูนี่นายกแล้วกูนี่ผู้ใหญ่แล้วกูมันกำนันแล้วนี่กูทั้งนั้นเลยทียนี้ไอ้กูตัวนั้น กูที่เป็นกามมาพบก็ดีคือกูในเรื่องของกามก็ดีกูในเรื่องของรูปก็ดีกูในเรื่องของสิ่งที่ไม่มีรูปก็คือยศก็ดีนั่นคือเหตุให้เกิดทุกเหตุให้เกิดทุกขารีปิทุกขาเป็นตัวทุกขเหตุให้เกิดทุกคือพบการดับทุกก็ต้องปฏิบัติกรรมเรียมัก มีองค์แปดแล้วก็ได้นิโรธมาพอาได้นิโรธมาเอานิโรธมาดับอีกดับตัวไหนดับตัวเหตุนั่นแหละทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแด่นเกิดระตถาก็ตรส เ, เทศแเ่งธรรมนั้นแลกความดับแห่งธรรมนั้นดับที่เหตุดับที่เหตุก็คือดับที่พบนั่นแหละทำหมันมันจะเลยทำหมันมันจะเลย กา ม, มาพบก็ไม่ยินดีรูปรพบก็ไม่ยินดีน่าร้ายกับมันอารูปรพบที่เป็นยศชื่อเสียงอะไรก็ไม่เอามันทีนี้ถ้าเราไปเอามันมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเ่งเอามาคิดเอามายึดมัน่นถือมัน่นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโครดพลวดออกมาเป็นชาติวิทุกขาเป็นทุกข์แล้ว แบกกันเลยทีนี้พอเป็นทุกข์แล้วผมคิดขึ้นมาว่าอู้อูเป็นนั้นเป็นนี่เป็นโ น, น่ทุกทีที่เกิดชาติเป็นทุกข์ขึ้นมานั่นน่ยคือชาติเป็นทุกข์ขันนั้นต้องไปดับที่เหตุเหตุให้เกิดทุกข์รวบภพบนะ่ะเป็นเหตุแล้วเหตุให้เกิดทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์พอดับตัวภพก็คือดับตัวภพ พอดับตัวพวกไอ้ชาติปีทุกขางั้นก็ดับ ก, ก็คือตัวทุกนั้นดับเห็นไหมทีนี้ต่อไปอีกดูในตำราต่อไปอีกไอ้ภาวะหรือไอ้การมีคันเลยจะครอดออกมานั่นแหละจะครอดออกมามันมีคันโตขึ้นมาพอจะตีปีทุกขาก็ครอดพบว่ามันคันตั้งคัน แต่การนั้นก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตวันโตคืนแต่ว่ามันโตไวโตวไวมากโตอารมณ์นี่มันโตวไวมากแต่มันก็คลอดไวมากแล้วก็เป็นทุกไวมากอันี้พบเป็นตัวทุกขเอาพบเป็นตัวทุกอีกามาพบรูปมาพบอารูป์มาพเป็นตัวทุกข เอตได้เกิดทุกตัวข้างหน้อุปาทานความยึดมั่นถือมันม่นก็ไม่พ้นกามอีกนั่นแหละเมื่อหลือเกินในเรื่องกามเนี่ยกามมุปาทานยึดมั่นถือมั่นในกามทิฏถูกปาทานยึดมั่นถือมัน่นนัวกูถูกคนอื่นผิดหมดมกูทำนั้นนี่เรียกว่าเห็นผิดเห็นผิด ตามุปลาทานทิศถูปาทานศีลับประตูปาทานยึดมั่นถือมั่นในศีพลพรดยึดมั่นถือมั่นหมดน้ำล้างหน้าก็ต้องเซ็ตไม่ได้ฉักจิตเงี้ยคือยึดมั่นถือมันอม่นตั้งแต่เช้ามืดขึ้นมาเลยตามูปลาทานทิศถูปลาทานศีลับประตูปลาทานอัตวาตุปลาทานมันมีตัวกู้มันมีตัวกู้ เอาอะไรมาเป็นตัวกูเอาจิตวิญญาณมาเป็นตัวกูอ้าวจิตวิญญาณตอเราปฏิบัติแล้วเป็นอนิจจังเป็นอนัตต์เป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนแล้วไหนเออเอามาเป็นตัวกูได้ยังไงเอารูปมาเป็นตัวกูรูปก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญนาตาว่างจากตัวตนถ้าอะไรไปเกิดที่นี่มันก็ดับเลยวิญญาณตัวนั้นมันดับเลยนั่นอัตตามันมีที่ไหนอยู่ตรงไหนตัวอัตตาคลาดูทั้งเนื้อทั้งตัวคลาดูดิไม่มีตรงไหนที่เป็นอัตตาเป็นตัวกูเลยมันไหลเลื่อยไหลเลื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อ ย, ย, ยไม่แต่ออนิจจังกับอนัตตาทาั้งนั้นเลย ไม่เห็นมีตัวกูเลยผมเป็นตัวกูหรอไหนอทําไมบังคับมันไม่ได้เนื่อหนังเป็นตัวกูหรือเอา้าไหนมันเหี่ยวมันย่นจกกระดาษอย่างนั้นอย่างนี้ไหนเป็นตัวกูได้ยังไงแน่มันเป็นตัวกูเลยนี่นั่นเรียกว่าอั ต, ตาวาตุปาทานความยึดมัน่นถือมัน่นว่ามีตัวกูฉะนั้นครับ เป็นตัวทุกขเอตั้เกิดทุกตืออุปาทานความคิดมั่นถึงมั่นทีนี้เราต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองแปดเองแล้วก็ได้มีโรดมาเราเห็นอริยสัจแล้วเห็นไหมอริยสัจมันอยู่ในทุกวงเลยพอเสร็จแล้วเอานิโรดนั้นมาดับมาดับที่ตัว ตัวภพตัวอุปาทานคือเหตุให้เกิดทุกคืออุปาทานพอเอาตัวนีโรดมาดับที่ตัวอุปาทานตัวภพมันก็ดับทันทีพวกนั้นก็ดับ ท, ทันทีถูกทำหมันและทีนี้ไม่ต้องโกอดไม่ต้องคกรธ อ, ออกมาเป็นทุกแล้วแห็นไหมทีนี้ไอตัวเหตุให้เกิดทุกที่ตรงนี้ก็คือตัวอุปาทานแต่แท้เหตุ เหตุนั้นกลายเป็นอะไรลองทายดูดิทายในใจลองทายดูเหตุนั้นกลายเป็นผลอีกกลายเป็นผลอีกอุปาทานมันเป็นเหตุได้เกิดทุกข์แต่พอตอนนี้อุปาทานเป็นผลเป็นผลก็คืออุปาทานเป็นตัวทุกข์อีกอุปาทานน่มันเป็นตัวทุกข์อีกทีนี้เหตุได้เกิดทุกข์อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ตัวข้างหน้า เอ้ได้เกิดทุกข์คือตัวตัณหาตัวตัณหาก็ราไม่พ้นกามอีกนั่นแหละเอ้ยได้เกิดทุกข์กามตัณหาความอยากในเรื่องของกาม ร, ระหว่างเพศความอยากในเรื่องของวัตถุไม่มีคําว่าพอพอมันไม่มีสําหรับตัณหานั่นน่ะตัวพอน่ะมันไม่มีสำหรับตัหานั่นแหะมันไม่รู้จักคำคำว่าพอ มันไม่รู้จักคําว่าหยุดมันไม่รู้จักคําว่าต t o p ภาษาไทยมันก็ไม่รู้จักภาษาอังกฤษมันก็ไม่รู้จักอยากรูปเดียวอยากรูปเดียวนั่นเหตุใดเกิดทุกข์นี้มันเหตุใดเกิดทุกข์ไหมไอ้ที่เราอยากอยากอยากอยากนั่นแหละนั่นน่ยคือตัวเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัวอยากนั่นแหละไม่อย่างนั้นองค์ุริมานไปข่าคนนเท่าไหร่นั้น กว่าจะได้พันคนก็นเพราะยากนั่นแหละอยากเพราะอะไรเพราะว่าโดนต้ม อ, อาจารย์ที่สาปามโมกบอกว่านี้ยังมีวิชาที่เลนลับอยู่อีกวิชาหนึ่งฉันจะบอกให้เจอคนเดียวถ้าคนอื่นไม่บอกหรอกไม่สอน่ายหรอกเพราะว่าท่านไปเชื่อลูกเศษที่ ประจกซอปรเพราะว่าองค์กุลิมานนะดีเกินไปเป็นคนดีเกินไปที่ชื่ว่าอายิงสกะอายิงสกานี่แปลว่าไม่อิจฉาฤทยาใครไปอยู่กับอาจารย์ที่สาปาโมตอนนั้นมันยังไม่มีมหาวิทยาลยัยทีนี้พรามที่เขาออกไปอยู่ป่าอยู่ป่านั้น เขาก็เรียนวิชาต่างๆอะไรต่างๆทางตักกาทั้งนั้นเลยที่นี่ลูกของพระราจาหมหาการั์หรือว่าลูกของอพวกบริวารอะไรต่างๆคนร่ำรวยนี่ต้องไปเรียนกับอาจารย์พี่สาประโมกทางนั้นเลยไม่มีอะไรให้ค้าเธอบทถอดแหวนให้เขา ต้งให้เงินให้ทองเขาอะไรเขามีอะไรก็ให้เขาจนกว่าจะเรียนจบจนกว่าจะเรียนจบอนีนี้ไอ้ลิงสก่าปุมาเนะี่ยเป็นยังไงตอนที่เกิดจี่ตั้งที่เกิดก็คลอดออกมานะ่ยโอ้โยอาวุธเปร่งแสงแล้วก็มีเสียงดังปริ่งปังปริ่งปังในกระังสับอาวุธน่ย นี่คลอดนายินสตาออกมาก็จะเป็นนี่ก็ถามว่าเอ้าลูกใครคลอดเมื่อคืนเขาบอกลูกของมหาดเล็กคนรับใช้พระองค์นั่นแหละนี่บอกโพโรทิตพวกํำนายพวกํำนาย เอาไว้ไม่ได้พระเจ้าค่ะเด็กคนนี้เป็นเสี้ยนน้ำกับประเทศชาติเป็นเสี้ยนน้ำกับพระองค์พระเจ้าค่ะต้องฆ่าใช้ก่อนนันกว่ามันจะอย่ามันมีเรื่องก่อเรื่องขึ้นมาพี่เจ้าป่าเฉยนะที่เกาสนกองว่าเราจะไปฆ่ามันยังงอยเหี้ตาลกเดงๆเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเลยไปฆ่าเขาบาปกรรม บาปกรรมต้องไปฆ่าเขาหรอกเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันทีหลังก็เลยตั้งชื่อว่าอาหิงสกาดแปลว่าไม่หยิบฉาไม่ลิษสยาไม่เบียดเบียนใครนี่เรียเคล็ดลับในการตั้งชื่อแล้วพออายุสิบสี่สิบ้าก็ส่งแล้วเมื่อก่อนเป็นลูกของพระจามากศารสก็ลส่งแล้ว ก็เลยส่งไปอยู่กับอาจารย์ที่สาวาโมกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับครูบาอาจารย์กับเมียของอาจารย์อาจารย์ก็มีเมียหมดเพราอาจารย์ใหญ่นี่ดีกันหมดเรียกว่าเหมือนเลยว่บครัวเดียวกันเลยนี่ไอคนที่มันอิจฉาริษยานี่ก็อิจฉาออิงชะกากรูมามันไปยุแย่ อาจารย์ไอ้เองจ ก, กากุมาร น, นะมันได้เสียกับเมียของอาจารย์นะไม่เชื่ออ่ามันได้กับลูกสาวของอาจารย์รักลูกสาวของอาจารย์นะก็ไม่เชื่อก็ไปบอกทุกวันทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวันอยู่อย่างนั้นนะเหมือนกับว่าตอนที่จะเกิดคอมมอนิสต์ขึ้นมานะคอมมอนิสต์ตัวนิดเดียวเมื่อก่อนเสร็จแล้ว คนที่เป็นโคมอนิสก็ไปหาแนวร่วมโอเป็นโคมอนิสเถอะนี่ประเทศอเมริกาหรือประเทศไอยุโรปนั้นพวกนายทุนจำนั้นเลยเอารัดเอาเปรียบจำนั้นอย่างนี้นอย่างโน้ น, นว่ากันไปว่ากันไปใจร้ายกันทีนี้ไอ้พวกโน้นผมว่าพวกนี้ี่ โอ้อย่าไปเป็นเลยคอมมูนิสต์เป็นคอมมูนิสต์นะเวลกากขไถนาเขาเอาแอกนี่แหละไปครอบกั้วที่คนสองคนนั้นให้เป็นหัวแล้วก็ไถานานี่ว่ากันไปอย่างนั้นอย่างนี้แกเสร็จแล้วกว็ทุกวันทุกวันมันก็เชื่อนีพอเชื่อก็เลยเข้าไปเป็นคอมมูนิสต์กันเป็นแถวเป็นแถวเลยนี่ ออย่างนี้คุยแต่ทุกวันทุกวันเลยมันก็เชื่อทีนี้อาจารย์ที่สาปมุกกันก็เชื่อพอเชื่อเอ่จะทํำยังไงเราจะฆ่าจะแกงมันก็ไม่ได้ลูกศิษย์คนนี้ก็เป็นที่รักของเราด้วยเป็นที่รักของภรรยาของเราด้วยทํำยังไงอา้านี่ท่านเธ อ, อยจงไปฆ่าคนแล้วเอานิ้วมือมาให้เรา จักพันคนแล้วเราก็จะมอบวิชาที่เล่นลับนอกนั้นแล้วก็มีหางเครื่องดกเราจะให้ลูกสาวของเราด้วยนี่เห็นไหมก็เลยเชื่อเชื่อเชื่อก็เลยกลายไปเป็นโจรเลยทีนี้ก็ลูปร่างก็กมยำคนอินเดียนิเด็กมันสิดสี่สิบ้า แล้วก็ไปเกินยี่สิบแล้วมื่ตอนนัน้นก็เชื่อเชื่อก็เลยไปฆ่าคนฆ่าคนฆ่าคนฆ่าคนเอานิ้วมือมาร้อยเป็นพวงเขานับนิ้วหนึ่งก็คนหนึ่งนิ้วหนึ่งก็คนหนึ่งเป็นยังไงพอถึงเวลาถึงเวลาที่จะฆ่าแม่แล้วทีนี้ไม่รู้ว่าเป็นแม่หรือเป็นใครแล้ว ไอแม่ก็ได้ยินข่าวว่าตอนนี้เขากำลังที่จะประกาศข่าวว่าต้องยกทัพองทัพไปฆ่าองคุริมานจะยกทัพไปฆ่าแม่ก็ร้อนอกร้อนใจแม่นี่ไม่มีอะไรเนื้อไปกว่าแม่ฉะนั้นนี่หลวงพ่อเองนะทุกข่้าคืน อตรวจมณไว้พระเสร็จอะไรเสร็จอุทิตให้พ่ออุทิตให้แม่กราบพระทุกครั้งกราบพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายกราบพระทำรรเหมือนกันกราบพระสงฆ์ก็เหมือนกันต้องมีพ่อมีแม่แถมก็ไปทุกครั้งจะไม่ลืมพ่อแม่ทีนี้พ่อแม่จะ ลืมเราไนดะ้ยังไงลูกติดคุกบายหน้าไปไม่กลายหน้าหรอกไปเยี่ยมลูกเึงลูกผิดก็ไปเยี่ยมลูกถูกก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมทต่งนั้นแหละแม่ไม่ทิ้งลูกแต่ว่าแม่ในสมัยนี้ไม่ทิ้งอะไรเอาไปใส่ในถังกหยาโน่นนั่นคือแม่ที่มันไม่ได้อบรมมาอะไรมา มันยังไม่ควรที่จะเป็นแม่คนมันก็เป็นแม่คนแล้วเพราะมันยุ่งในเรื่องทางกามเห็นไหมมันก็เลยนั่นในประเทศอินเดียประเทศไทยก็คงจะมีเนะี่ยไม่ลงกาวประเทศอินเดียแม่ที่อายุน้อยที่สุดอายุเท่าไหร่สิบปีคลอดลูกแล้วสิบปีเนี่ย ออกข่าวสิบปีเป็นแม่คนแล้วแม่มันยังไงก็ไม่รู้นี่อย่างที่พุทธธรรมนายว่านั่นแหละคนต่อไปเนี่ยเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงพอสิบปีนี่มีลูกแล้วจริงๆเลยจริงจริงเลยมีลูกแล้วสิบปีนี่เด็กสมัยนี้หน่ากลัวมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามัน อะไรอะไรมันก็ส่งเสริมส่งเสริมกามทางนั้นเลยวัตถุต่างๆนี่ส่งเสริมกามกามระหว่างเพศอะไรส่งเสริมกามทางนั้นเลยแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรต่ออะไรกันขอไปมันจะใส่ปิ้งกันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่นุ่งแล้วการเกงนิ่เดียวต่อไปก็ใส่ปิ้งคอยดูนี่วันที่หลวงพ่อพูดไหม ต่อไปมันออกตัวรทัดแล้วมันเฉยปิ้งออกมาเลยเนี่ยนี่มันยังอายอยู่นิดหนึ่งเหมือนิดเดียวต่อไปมันเฉยปิ้งออกมาเนี่ยตามทางนั้นหลงตั้งโง่แล้วก็ทั้งหลงนีย่ยิ่งกว่าสัตย์รจ า, านซะอีกเห็นไหมทีนี้เรื่องขององค์กุลิมานของเรานะเป็นยังไงแม่ก็เลยบากหน้าไปหาลูก เพื่อที่จะไปบอกว่าตอนนี้พระราชาคือพระเจ้าปเสนทิโกศลกํำลังยกทัพไปปราบลูกนะเพจะไปฆ่าลูกรีบไปบอกก่อนอพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มีญาญญาณนางอุตตปาธินั่นแหละพระองค์มีญาญพระองค์ก็รู้ทีพระองค์รู้ก็อ์นี่องค์กุลิมานี่ ไม่ใช่คนอย่างนั้นองค์ุิมานถูกหลอกอก็เลยไปหาองค์ุิมานก่อนยิ่งแม่ก็เดินมาเดินมาเดินมาพระพุทธเจ้าข้าบแซงก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวองค์ุิมานจะฆ่าแม่เพราะไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วตอนนี้เหลือนิ้วเดียวแล้วครบแน่ครบแน่คน อ, อยอยู่พระพุทธเจ้าไปทันทีออกไปถึงแทนเป็นสมณะ เป็นยังไงวิงว่งวิ่งวิ่งข่าหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเดินเอาอย่างนั้นเดินเอาเอาหยุดก่อนยุดก่อนสมนะยุดก่อนสมนะพระพุทธเจ้าต่ลอดูก่อนองกุริมาณเราหยุดแล้วท่านเองอหละ ไ, ไม่หยุดหยุดอะไรเห็นท่านยังวิ่งอยู่ เ, เราหยุดแล้วท่านนัอหละ ไ, ไม่หยุดมี เพฉลาดขนาดไหนลองคิดดูองคุริมานเป็นโจรแต่ว่าเป็นคนฉลาดหยุดคือหยุดอะไรหยุดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูพ mm. อหยุดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูที่สมณะนี้ท่านกล่าวก็คือหยุดความยึดมั่นถือมั่นตัวกูไม่เบียดเบียนคนอื่นอนุปวะโตอนุปคารโต การไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปฏิโมกเทจะสังวรูการจำรวมในปฏิโมกนี่หยุดหยุดการพูดร้ายการกล่าวร้ายการทำร้ายหยุดองค์นิมานควังออกทันทีก็ควังออกทันทีออ ก, ททก็ทิ้งดาบทิ้งดาบเลยทิ้งดาบก็เป็นอย่างไงทีนี้ก็ขอบวชทีทีนี้ขอบวช ก็ขอบวชพระพุทธเจ้าขอให้บวช<ม>นี่วงตู้ให้บวชเสร็จแล้วองคุริมันยุดความยึดมันม่นถรืมั่นก็เลยชี้แจงกันขอบวชพระเจ้าจางเป็นพิกษามาเถิดนี่ก็เลยเป็นพิชฌาสมาแล้วก็ไปอยู่กับครูบาอาจายไ ป, ปอยู่กับพระพุทธเจ้า กับพระภิกษุสงฆ์ไอ้นี้พระเจ้าไปเชนญนาะที่โกศมกม็ยกพวกมาปราบองค์ุลิมานยกพวกมาปราบแล้วผ่านทางนี้เดี๋ยวไปเยี่ยมพระพุทธเจ้าเถอะหน่อยไปเยี่ยมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าพระองค์จะไปไหนกันนี่เห็นยกพวกยกคนเสนากันมาเจ้าปฤเชนญนาะโกศลว่า จะไปปราบโจนองคุลิมานพระวพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าแล้วถ้าโจนองคุลิมานนั้นบวชถ้าบวชเป็นพระพระองค์จะทำยังไงพระเจ้าประดินปัเสทนติโกตรเลยตรัสว่าถ้าองคุลิมานบวชเป็นพระข้าพระองค์จะอุปถา ด้วยจีวอนด้วยอาหารวินตาบาตด้วยเสนาชะนะกิลานาเพศศัตวูพระพุทธเจาตรนี่ลนะ่ะองคุลีมานบวชแล้วนั่งอยู่ข้างหลังนั่งอยู่ข้างหลังตกใจเลยพระเจ้าพระเสนาจิโกชนตกใจตกใจว่าไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้องคุลีมานไม่ได้เป็น โอนแล้วตอนนี้เป็นพระเป็นพระอริยเจ้าแล้วนี่เห็นไหมรู้จักคําว่าหยุดคําเดียวไม่จะหยุดฆ่าสัตว์ไม่จะหยุดรักทรัพย์ไม่จะหยุดประพฤติประพฤติผิดนกามหยุดยึดมั่นถือมั่นอัตตานุสิตีนั่นแหละหยุดยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูเนี่ยหยุดความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือหยุด ไอ้นี่ไหนๆก็เล่าแล้วว่เช้าขึ้นมาเป็นอย่างไงองค์ุลิมาลก็ไปบินตบาดพอไปบินตบาดพวกญาติโยมมันแปลงตัวมาแล้วตอนนี้มันเป็นพระมาเป็นพระมาแปลงตัวมาแล้วระวังให้ดีระวังให้ดีก็เป็นยังไงคนก็ตกใจเตื่นกันเพราะว่าได้ยินข่าวว่าองค์ุลิมาลคําเดียวนี้กลัวกันหมด ทีนบางคนก็ทาร้ายองค์ุลิมานก้อนหินป่ามัง่งก้อนอิฐป่ามัง่งต้นไม้ป่ามัง่งไปปาา่ปาหมาป่าวัวป่าควายมาโดนองค์กุลิมานทางนั้นเลยโดนพระองค์ุลิมานทางนั้นนี่เวรกรรมที่ตัวเองทำป่าไปป่ามาบาดแตกเลย บาดแตกเสร็จแล้วหัวแตกเลือดไหลมาไปกราบทูนพระพุทธเจ้าก็วันนี้ข้าพระองค์ไปบินตบาดข้าวก็ไม่ได้หัวก็แตกเลือดไหลมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าตองกุลิมานที่ท่านทําเขานั้นมันมากกว่านี้ที่ท่านโดนเท็ทําเพราะมันไม่มีอาหารที่จะกินแล้ว ไม่ต้องไปแต่งถึงขนาดนั้นตรงไรนี่โยมปฏิบัติเกิดเป็นอริยศาสตร์ที่เพื่อนก็าองเอ๊ะเปล่าเพื่อจักการะมันก็จังมันไอ้มันก็อย่าคิดแบบแบบโง่โง่